นั่งสะดวกไหมสะดวกนั่งขัสมาน์เนาะใครไม่สะดวกก็หาเก้าอี้นั่ง <c oughs> เดี๋ยวเตรียมต้องเตรียมยาไว้ก่อนเยวถึงเวลาลืมกินยาเืยเลยยาเราซ่อนไว้ตรงนี้หายไปไหน เอาละเดี๋ยว <c oughs> เ, เดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของกรรมฐานเนาะกรรมฐานเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของท่าพิธรรมอยู่ที่บริเคตที่เก้าน ท่านในพระไตรปิฎกเนี่ยมีกล่าวอยู่ในพระสูตรมากมายถ้านในคมพีวิสุทธิมารคคำพีวินมุตติมารคก็จะมีคำว่ากรรมฐานกล่าวเขาไว้เรียนทางด้านของสีและนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศฉะนั้นกรรมฐานก็อยู่ในสองหมวดก็คือสมาธินิเทศกับปัญญานิเทศนะ ถ้าในคำพีคาพีพระพิธรรมกรรมฐานเนี่ยไปอยู่ในปริเชติกาวปริเติกา9ในสมถากรรมฐานตามอภิธรรมมัทธะสังฆาบาลีก็ขยายความตามที่พระนุรุท ธ, ธาจารย์ท่านแสดงกัาไว้เ็าเรียกอนุสนธิเคยได้ยินคำนี้ไหม ก็คือพระนุรุทธาจารย์แสดงความเป็นไปของรูปนามโดยความเป็นอนัตตาให้แก่กุลบุตรทั้งหลายได้ทราบโดยในทั้งสองคือปฏิจจสมุ ป, ปาทานัยและก็ประธานนัยก่อนปฏิจจสมุ ป, ปาทานายกับประธานนัยแสดงไว้ในปริเชตที่8 ส่วนสมถากรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแสดงไว้ในปริเขตที่เก้าอนุสนธิก็คือสืบต่อจากปริเขตที่แปดปริเขตที่เก้าก็เรียกว่ากรรมฐานสังขาวิภาคเข้าใจไห น, <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้เมื่อแสดงเมื่อแสดงตัวปฏิจจสุปาฏกับประธานนั้นไหนจบลงปุ๊บเนี่ยนะต่อจากนั้นก็ ชี้ถึงแนวทางการปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาเพื่อให้กุลบุตรทั้งหลายได้ทราบเพื่อเป็นเครื่องดำเนินงานในการปฏิบัติต่อไปท่านก็เลยขึ้นบาลีเลยสมถะวิปัสนานางภาวนาณมิโตปรังกรรมฐานังภาวะขามิทุติยามปิยถากรมังก็แปลงไงนี่เป็นคำปฏิญญาณของพานุทศาาจารย์นะว่า ท่านคําให้คํามั่นสัญญาหรือคําปฏิญญาว่าจะแสดงกรรมฐานสองประเภทเรียกว่าสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานตามลําดับแห่งการแสดงปัจจัยสังหาวิภาคจบลงแล้วเขาจึงเรียกว่าอนุสนทุทธินี่เป็นแบบนี้เวลาเราจะศึกษาก็าให้ศึกษาแบบนี้สรุปแล้วเนี่ยพวกท่านเนี่ยเรียนเ้าเรียกปริเขตสุดท้ายหรือปริเคตที่ห่ง ปาริเกที่สองริเกตที่หนึ่งเนี่ยเรียนเรื่องจิตใช่ไหมปริเกตที่สองเรื่องเรียนเรื่องเจตสิกปริเกตที่สามเรียนเรื่องเวทนาใช่ไหมเวทนาปริเกตที่สี่วิถีสังขาวิภาคปริเกตที่ห้าเรียนเรื่องภูมิจิตุกะกรรมจิตุกะเนี่ยนีปฏิสนธิจตุกะมรรณะปฏิจตุกะเนี่ยนีปริเกตที่หกลูปสังขาร ปริเคตที่เจ็ดเรียนเรื่องเอ่อเรียนเรื่องกุศลสังหารกุศลสังหาพวกเนี้ยสัพพสังหารพวกนี้กลุ่มพวกเนี้ยปริเคตที่แปดก็เรียนเรื่องปฏิจจุบาทแล้วก็ปฐฐานปริเคตที่เก้าก็คือสมถาวิปัสนาเป็นปริเคตสุดท้ายเรียนแล้วจบเลยนี่ไม่ธรรมดาเนื้อคือเรียนแล้วจะเข้าป่ากันแล้วนั้น อันนี้ปัญหานี้เป็นปัญหาท่านยิมถามแล้วก็เลยพูดตอบก็เลยต้องตอบลำดับให้ทราบว่าต้องมีอนุสนนีิตามลำดับแบบนี้ทำไมจึงมามเอาส ม, สมาถะกรรมฐา น, นวิปัสนกรรมฐานไว้ในปริเคศที่เก้าเพราะอะไรเพราะเป็นปริเคศที่มีความสำคัญมากบุคคลที่จะเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติต้องจบสังคารนี้ปริเคตนี้ ถ้าไม่จบปริเชนี้ท่านห้ามถ้าต้องการอยากจะอยู่กับอาจารย์ก็เรียนเรียนปริเชนี้แบบยอ่อแล้วถามอาจารย์เป็นระยะระยะแต่ถ้าต้องการอยากจะอยู่ให้ห่างอาจารย์เพื่อต้องการไปปฏิบัติเนี่ยให้เรียนโดยพิสดารทรงจำได้ด้วยทั้งพระบาลีทั้งหมดนะครับในด้านกรรมฐานเนี่ยคาถาทุกคาถาจำไม่ได้ แล้วมีความเข้าใจในเรื่องของภาวนามีความเข้าใจกรรมฐานสี่สิบต้องได้กสินสิบอสุภาสิบอนุสติสิบอปมัญญาสี่วัดวัฐานหนึ่งแล้วก็เจตุธาตุวัดฐานอาหารเปฏิกู ล, ลสัญญาอรูปกรรมฐานสี่เนี่ยทั้งหมดเนียต้องจำได้หมดเลยครับทั้งเบื้องต้นทากลางที่สุดของกรรมฐานเหล่านี้ได้ทะลุทะลวงเบ็เสร็จแล้วจน คือขึ้นใจแล้วประเภทที่มองเห็นอะไรสามารถดึงเอามาเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ของการเจริญของอารมณ์การปฏิบัติได้หมดในส่วนสมถะแล้วก็สามารถเห็นกระแสชีวิตทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วกลาบานนี้ทั้งหลายเนี้ยสามารถดึงเอาเป็นอารมณ์พัฒนายาไดหมดแล้วเข้าใจทะลุทะลวงอย่างดีเบ็ยเศษคนอย่างเนี้ยกดถือสะายบาตคองผ้า เดินลิกได้เดินจาริกเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติได้เขาเรียกชำนาญมากสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครไม่จบสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐา น, รรฐานเขาจะดึงไว้ก่อนใช่ไหมเขาตึต้องอยู่กับอาจารย์ทั้งห้าปีห้าปีเรียนวินสองวินุงวินยัยทั้งพิคุปปริโมกพิกุณีปาริโมกจบแล้วแล้วก็เรียนหลักการธรรมะทั้งหลายเล่นี้ก็สรุปลงในกรรมฐานเหมือนใครเนะ เหมือนกันกันกบพระรัฐเออไม่ใช่พระจักขุ ป, ปาละเถละนั่นแหละอยู่กับพระพุทธเจ้าห้าภาษาเรียนทั้งอุเทศนิเทศพอสมควรนะอันนี้เรียนเพื่อปฏิบัติตัวเองนะเนี่ยชํานาญแล้วท่านบอกว่าในธุระในพระศ า, าสนามีสองไงขันถาธุระกับวิปัสนาธุระขันธ์ธาธุระก็คือทรงปิดกสามท่านบอกว่าท่านบวดตอนแก่ท่านไม่ไหวแล้ว ท่านขอวิปัสนาธุระงั้นต้องอยู่กับอาจารย์ห้าปีแล้วก็ต้องทรงพวกนี้ทรงเพื่อจะเป็นฐานแห่งการเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติขัดเกลาร์ตนเองได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เขามีหลักแบบนี้นะครับเราไปเข้าใจว่าไม่ต้องรู้อะไรแล้วเข้าป่าหรือไปประพฤติปฏิบัติเข้ามาเข้าป่าของท่านน่ยมันไม่ใช่ไปอยู่ในป่าแปลว่าท่านจาริก <c oughs> เพื่อจะขวนขวายในการไปไปฏิบัติจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เนี่เข้าใจอย่างนั้นทีนั้นก็คือว่ากรรมฐานก็เลยมี2ประเภทสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานตามลําดับทีนี้ในปริเคศที่ชื่อว่ากรรมฐานสังข ห, หาระหมายของว่าเป็นปริเคศที่แสดงการรวบรวมกรรมฐานต่างๆท่านใหญ่ขึ้นคําว่ากรรมฐานานังสังโหกรรมฐานสังสโหปริเคศที่แสดงการรวบรวมกรรมฐานทั้งหมด ชื่อว่ากรรมฐานสังคฆะสังฆะเป็นการรวบรวมรวบรวมมาทั้งหมดเลยมาไว้ในปริเขตนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานอะไรทั้งหมดในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะครับเป็นดึงมาหมดพระไตรปิฎก8ปดหมี่พันพระธรรมขันธ์กรรมฐานหนะ้าที่ไหนเอามารวมไว้ในปริเขตนี้ทั้งหมดเขางเรียกว่ากรรมฐานสังคหะใส่คำว่าวิภาคเอาไปก็คือจําแนกแจกแกงแยกแยะให้ละเอียดละออเลย ชนนี้ที่หมดข้อกังขาและหมดข้อสงสัยเลยครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามาศึกษ า, าจนเข้าใจจริงๆเลยอันนี้เพื่อเพื่อประโยชน์ตนนะครับเพื่อประโยชน์ตนน้อย่างนี้เป็นต้นชนนี้ที่ไปนะที่ไหนเนี่ยไม่ใช่เอ๊ะเตดขัดขนมาเนี่ยจำไม่ได้ติกไม่ออกบอกไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่ ม, ม, มีประเภทที่ตรงไหนปุ๊บขึ้นมาทานันดีครับเขาเรียกว่า ท่านสํานวนวนี่ว่าติดอยู่ที่ปลายลิ้นเวลาไปด้วยกันเนี่ยเขาสนทนากันนะครับไปสองอ ง, งสามองค์ี่ยเขาสนทนากรรมาฐานกันนีกเป๊ะเป๊ะเ เ, เอาที่เราเรียนกันมาจากอาจารย์เป็นอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บบบ๊เขาจะบอกกอันเนี้อ๋อท่านจําผิดแล้วเป็นอย่างนี้นครับคล่องปากขึ้นใจใช่ไหมทรงจําแล้วก็คล่องปากนะบางทีจําได้แต่มันไม่คล่องปากบางทีมันคล่องปากแต่ไม่ขึ้นใจเจนใจอะเจนใจ ขึ้นใจกับเจนใจสับไหนชอบอันไหนขึ้นใจก็คือ น, นึกปุ๊บมันมานึกปุ๊บนึกเรื่องสองนาทีไม่มานี่เขาเรียกเขาไม่เจนใจไม่ขึ้นใจก็มันค่อยๆมาไงเนี่ยทำไมเสียงเป็นแบบนี้ น, น า, อ, น า, อ, นาอ๋อนึกออกแล้ว ัตรงนี้มันหลวมโอเคได้แล้วก็เรียกว่าจำได้นะค้องปากเจนใจแล้วก็แกทงตลอดได้ดีแทงตลอดด้วยดีด้วยด้วยทิฏฐิอันนี้ปัญญาระดับเหตุผลมันได้ปัญญาในระดับเหตุผลก็คือทำไมจึงเป็นแบบนี้เห็นไนะ ทำไมจึงเรียกว่าอาณาปานาสติอธิบายติด ๆ, ๆเลยทำไมจึงเรียกว่าอาณาปานาสติสมาธิ <c oughs> อ๋อสติกับสมาธิสัมบยุตกันประชุมการเกิดร่วมกันจึงเรียกว่าอาณาปานาสติสมาธิอย่างเงี้ยนะอาณาปานะอาณากับอาปาณะเนี่ยหมายถึงอะไรเอาหมายถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้ายัางไงเนี่ยขยายได้หมดครับมันมันมันมันคล้องปากมัน เจนใจแทงตลอดด้วยเหตุผลยกตัวอย่างเช่นเวลาหายใจเข้าหายใจออกสรุปแล้วเนี่ยเราจะกำหนดหายใจออกก่อนหรือหายใจเข้าว่ากันขนาดนั้นแล้วก็นึกไปนึกมาเ็บอกเด็กที่คลอดจากท้องแม่เนี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้าก่อนถามกันขนาดนั้ น, นบางคนไม่รู้ไม่รู้คุณไปดำน้ำดิเวลาดำน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาเนี่ยหายใจออกหรือเข้าก่อน บางคนยังไม่เข้าใจอีกเราหัวไปจุ่มเดียวนี้นะ <c oughs> ไปจุ่มเลยดังนั้นไม่รู้เรื่องจริงๆออกหรือเข้าเพราะอะไรอะ่ะทําไมเด็กเนี่ยทําไมเด็กคลอดออกจากท้องแม่ทําไมต้งหายใจออกก่อนเ <c oughs> ขามีอะไรอุดอยู่ตรงนี้จะไปเข้าเข้าไปก็ต้องโผลมันต้องเปิดออกมาก่อนชั้นใดเหมือนคนดํานะอย่างนี้เป็นตน้น อ๋ออย่างนี้เป็นต้นเขาให้มันแทงตลอดด้วยดีด้วยระดับเหตุผลยกเหตุผลมาอ้างได้อธิบายได้นะในกรรมฐานทุกกรรมฐานเป็นอย่างนั้นเลยครับทําไมท่านทําไมท่านจึงเดินอานาปนาสติก่อนไม่เดินกรรมฐานอื่นก่อนไม่รู้อาจารย์บอกมาอย่างงี้อย่างนี้ไม่ใช่เหตุผลอย่างนี้ก็ไม่ได้แทงตลอดด้วยดีย ด, ยด้วยที่ถี่ด้วยเหตุผลนะครับบอกอ๋อ อานาปานาสติกรรมฐานเนี่ยในสติในในวิสุทธิมาร์กบอกว่าเป็นอประธานากรรมฐานาเป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงเอา้าวทำไมำคําว่าประธานของกรรมฐานทั้งปวงแปลว่าอะไรออบเป็นใหญ่ไงรู้จะประธานบริษัทไหมเขาอธิบายอย่างนี้นี่มันเข้าใจออบประธานประธานหมู่ประธานคณะอะไรเขาเรียกเป็นใหญ่ <c oughs> ทีนี้ที่เป็นประธานกรรมฐานเพราะอะไร บว่าถ้าเจริญอาณาปานาตสติประสบความสำเร็จแล้วกรรมฐานอื่นเป็นเรื่องง่ายเลยเอาให้เหผลหน่อยสิอาณาปานสติเหมาะแก่บุคคลที่มีโมหะจริตและวิตกจริตดะนั้นเมื่อเจริญอาณาปานสติได้เนี่ยจะกําจัดความหลงลืมได้จะกําจัดวิตกได้เมื่อกําจัดความหลงลืมกำจัดวิตกได้แล้วเนี่ย สติแข็งแรงขึ้นสติตั้งมั่นขึ้นสติชัดเจนขึ้นปัญญาก็ชัดเจนขึ้นสมาธิก็เด่นขึ้นกรรมฐานอื่นเป็นเรื่องง่ายสําหรับบุคคลที่ทําอาณาปนานสติเลยและเดินได้คล่องเดินได้รุ่ยแต่ถ้าไปเจริญกรรมฐานห ย, ยาบหยากร น, นะจะเข้าถึงอาณาปนานยากแล้วก็ไม่อยากทําเช่นไปเจริญกสินก่อนเนานะเพราะว่ากระสินมันหยาบนี่มันได้นิมิตใช่ไหม นักเข้านักเข้าสติละเอียดอ่อนระดับดูลมไม่อยากทำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฉะนั้นกรรมฐานที่เป็นประธานก่อนกรรมฐานที่เป็นรองประธานที่เป็นกรรมการง่ายเลยตัวนี้เข้าใจยังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนเหตุผลระดับปัญญาปริเคศที่แสดงการรวบรวมกรรมฐานทั้งหมดเรียกว่ากรรมฐานสังขารนีคือ อ๋อมียู u ูบก่อนด้วยไม่มีมั <c> ้ง <oughs> เราไม่พอดีวันนี้ไม่ได้ชาร์จตัวนี้ไว้ด้วยเนี่ยแบตน่าจะมีมีตัวใหม่ไหมมีไม้ตัวใหม่ไหม คือทีนี้พูดถึงเนี่ยโดยเฉพาะคำว่าภาวนาก่อ น, นภาวนานี่ก็แปลว่าทรรมที่ควรเจริญภาวนาศัพท์เนี่ยคือให้เกิดขึ้นบ่อยๆในสันดานของตนนะคำคำนี้หลายคนไปนึกว่าหยาบนะคำว่าสันดานเนี่ยสันตานะที่แปลว่าการสืบต่อของกระแสชีวิต นะครับสันตานะสันดา น, ะนดาตัวเนี้ยกระแสกระแสชีวิตทุกทุกขณะเนี้ยมีการเกิดตับสืบต่อตลอดเวลาเขาเรียกสันตานะเขาเรียกสันตานะเะั้นเรียกเป็นภาษาไทยเรียกสันดานเรียกสันดานเะนี้ยเรามาด่ากันไอ้ไอ้สันดานขออภัยนะี้ยได่ากันนี้ใช่ไหมไอ้สืบต่อไอ้สืบต่อคือ ก็ต้องบอกว่าที่ที่เธอด่านะถูกแล้วเพราะชีวิตมันสืบต่อตลอดเวลาไม่หยุดสันตานะสับนีนเปียวการสืบต่อของกระแสชีวิตทางทวารตาก็สืบต่อทวารหูก็สืบต่อทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจกระแสชีวิตเก่าคือขันห้าเกิดดับสืบต่อตลอดเลยเนี่ก็เรียกว่าสืบต่อทีนี้เวลากระแสความคิดมันสืบต่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ มันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามเรื่อยๆเอื่อยๆถ้าโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นมันสืบต่อเนี่ยในขันธสันดานเนี่ยเขาแปลว่าบาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายมันยิ่งทวีคูณมากขึ้นมันมีกําลังมากขึ้นอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าภาวนาเพราะไม่ทําให้กุศลธรรมมันเจริญขึ้นมันเกิดอยู่ของมันเป็นปกติเป็นอัธยาศัยของมันการสั่งสมการคุ้นเคยการเคยชินของหมูสัตว์ ฉันราคาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบูรณเนี่ยโทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็เจริญไพบูรณโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่ Whole, เกิดข okay. claro. ึ้นก็เจริญไปบูรณเนี่ยราคาโทสะโมหะมันเกิดขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นไม่เรียกว่าภาวนาเนีไม่เรียกว่าภาวนาเห็นไหมก็เรียกถ้าจะเรียกเรียกอกุศลมันเจริญขึ้นเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยถ้าภาวนาในความหมายเนี้ยท่านขับเน้นตัวศีลสมาธิปัญญาหรือตัวกุศลกุธรรม ก็แปลว่า ท, วที่ควรเน่ยที่ควรเจริญเน่ให้เกิดขึ้นบ่อยๆในสันดานก้อนตนเน่เรียกว่าภาวนานมาจากคำว่าภาเวตัภาติภาวนานนะครับภาเวตัพาติแล้วก็เท่ากับภาวนานก็หมายความว่าทำที่บัณฑิตทั้งหลายนะทำที่บันดิตทั้งหลาย ทำทําที่บัณฑิตทั้งหลายพึงทําให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งหลังๆให้ติดต่อกันเป็นนิดจนถึงเจริญขึ้นนั่นแหละเรียกว่าภาวนาบัณฑิตเขาต้องการให้ธรรมะอะไรเกิดขึ้นติดต่อกันแหละบัณฑิตก็ทําศีลสมาธิที่ปัญญะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูรพิญโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยนะ ลักษณะนี้เ้าเรียกว่าภาวนานี่นะภาวนาเป็นแบบนี้นั้นการที่เราจะเข้าใจในความหมายภาษาของการศึกษาเ็าเรียกว่าวัจนัทะคือเนื้อความของภาวนานั้นอนะ่ะเพราะเป็นธรรมะที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้กระทาให้ได้รับความสุขกายและสุขใจเนี่ยทั้งในภพนี้และภพหน้าตลอดจน การพ้นจากสังสารวัตรได้เนี่ยธรรมะเหล่านั้นจึงชื่อว่าภาวนาฉันจึงต้องให้ความสำคัญกับคำว่าภาวนาให้มากน่นภาวนาคำเนี้ยก็แปลว่าทรรมที่บัณฑิตทั้งหลายพึงกระทาให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งหลังๆให้ติดต่อกันเป็นนิดจนถึงเจริญขึ้นฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนา นั้นบัณฑิตคือผู้รู้หรือผู้มีปัญญาทั้งหลายก็เลยบอกไอ้ภาวนาในที่นี้ก็หมายถึงไปชื่อของตัวกุศลละธรรมแล้วตัวศีลสมาธิปัญญานี่เองที่ควรให้เกิดขึ้นนั้นถ้าศีล น, นะถ้าศีลทําศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเนี่ยไทยบูนเนี่ยเขาเรียกศีลภาวนาใช่หไหมเขาเรียกภาวนานเองแต่ถ้าขับเน้นตรงไปก็คือศีลภาวนาถ้าทําสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยยุภัยบุญพิญโยภาพยิ่งๆขึ้นไปจนอย่างนั้นก็เรียกว่าสมาธิพวนาลรจิตพอนาเราได้ยินคํานี้กันใช่ไหมครับถ้าทําปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุญพิญโยภาพยิ่งยิขึ้นไปนี่คือเรียกว่าปัญญาพอนาในศีลในสมาธิในปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญติดต่อคำว่าให้เกิดให้เจริญขึ้นเนี่ยเพื่ออํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้กระทาได้รับความสุกกายนะครับศีลภาวนาจิตเจตภาวนาปัญญาภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยผู้กระทำเนี่ยได้รับความสุขกายอํานวยประโยชน์เลยนะให้รับความสุขกายและสุขใจในภพนี้และในภพต่อๆไปจนถึง เป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การออกจากสังสารวัฏได้เลยพ้นจากวัฏทุกข์ได้เลยเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นธรรมที่เป็นภาวนานี้ท่านก็เลยมาแบ่งเป็นสองเลยถ้าตามหมวดของเขาเลยนะแต่ถ้าบางทีเราอาจจะไปเจอภาวนาสามเช่นศีลภานวนาสมาธิภานวนาหรือว่าปัญญาภานวนาบางทีอาจจะได้ยินคําว่าศีลภานวนาจิตภานวนาปัญญาภานวนาบางคนไปเจอสี่ก็มีในคัมภี์บางคัมภี์ก็เจอเลย กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาอันนั้นจะไม่ตามเดี๋ยวไปเจาะถ้าเรียนภาวนาสองคือสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาเดี๋ยวจะไปเข้าใจตรงนั้นไม่ยากเลยเดี๋ยวไปแบ่งแยกได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นภาวนาจริงๆที่เราจะศึกษากันในวันนี้ที่เป็นประเด็นที่ท่านยิ้มถามเนี่ยมีสองคือสมถภาวนากับวิปัสนาภาวนาทีนี้ประเด็นมันก็อยู่อยู่ว่า คนที่จะเรียนสมถาภาวนากับวิปัสนาภาวนาแปลว่าเรื่องศีลแปลว่าโอเคแล้วนี่โอเคแล้วถ้าไปศึกษาสติปัฏฐานสูตรนะอาจารย์ไปบรรยายสติปัฏฐานสูตรอยู่ปีหนึ่งบรรยายไปบรรยายมาบรรยายไปปีหนึ่งแล้วจึงรู้ว่าคนที่ฟังไม่รู้เกียกเรื่องศีลเอาต้องไปบรรยายศีลอีกปีหนึ่ง บรรยายไปบรรยายมาจึงรู้ว่าคนฟังไม่รู้จากเรื่องฐานต้องบรรยายเรื่องฐานอีกปีหนึ่งบรรยายไปบรรยายมาจึงรู้ว่าคนฟังไม่รู้จากสารณคมต้องบรรยายสารณคมอีกปีหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเลยบรรยายจากข้างแต่มันก็ไม่เป็นไรเห็นไหมบรรยายจากข้างบนลงมาข้างล่างและยังไม่ได้บรรยายจากล่างขึ้นบนสัทีเลยทแต่ไม่รู้พวกนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเจอกันอีกเลย ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วไม่รู้ตายไปแล้วก็มีอ๋อ เ, เป็นอื่นไปแล้วก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอันใหม่ในพบถัดไปเนี <c oughs> ย่ยเป็นอย่างี้เาต่อไปสมถะภาวนานมาจะกคำว่าให้สังเกตดูนะศัพที่ท่านวิเคราะห์ไว้เนี่ยมันจะเห็นชัดครับถ้าท่านศึกษาสมถะเนี่ยต้องอย่าลืมคำวิเคราะห์สั์ มั่นมาจากคาว่ากิเลสเสสมติติสมัธโธแปลว่าอะไรทำใดทําให้กิเลสมีกามฉันทะนิวรณ์เป็นต้นสงบลงฉะนั้นธรรมนั้นชื่อว่าสมถะองค์ธรรมของสมถะได้แก่อะไรเนี่ยถ้าเรียนต้องเจาะไปที่ตรงเนี้ครับองค์ธรรมหรือสภาวธรรมของสมถะได้แก่อะไรได้แก่สมาธิแล้วสมาธิอะไรคือเอกคตาเจตสิก แล้วเอกคตาเจสิกในไหนในมหากุศลจิตแปดและรูปาวัจราปทมฌานกุศลหนึ่งเนี่ยเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวท่านจะได้ไม่ท่านจะได้เข้าใจนะฮะแม้เอกคตาประกอบในจิตดวงอื่นก็มีไม่เอาเห็นไหมประกอบในอกุศลก็ได้เนี่ยเช่นตั้งมั่นในการที่จะลักทรัพย์ตั้งมั่นในการที่จะประพฤติผิดในกามตั้งมั่นในการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ย มันเป็นเอกคตาหมดเลยนะครับตั้งมั่นในการที่จะพูดเท็จตั้งมั่นในการที่จะพูดส่อเสียดตั้งมั่นในการที่จะรักทรัพย์คนอื่นตั้งมั่นในการที่จะพูดเพ้อเจ้อตั้งมั่นในการที่จะเอาศาต์ตราวุธ ฟ, ฟาดลงไปตัวสัตว์เนี่ยนะครับเป็นต้นมีความตั้งมั่นทังนั้นนะครับแต่ความตั้งมั่นเอกคตานั้นท่านไม่นับมันเป็นเอกกคตาที่ในอกุศลจิตเขาจึงไม่เรียกว่าสมถะ เห็นไหมถ้าสมถะนมาจะคำว่ากิเลสเสสเมติติสมโถเลยก็แปลว่าอะไรทำใดทําให้กิเลสมีการมาฉันทานิวรเป็นต้นท้าไรระก็การมาฉันทานิวรพยาบาทนิวร์ถีน้ำมีธานิวรอุทธจานิวรอุกุตจารกุตจานิวรแล้ววิจิกิจฉานิวร์ให้สงบลงให้สงบลงฉะนั้นธรรมานั้นเชื่อว่าสมถะถ้าพูดแค่นี้ไม่ชัดได้แก่อะไรได้แก่สมาธิ สมาธิองค์ธรรมคือเอกคตาถ้าไม่ได้ท่องจมเลยแต่นี้ไม่ได้เนี่ตรงในทําไมผมจะต้องให้พวกเราไปท่องโดยนั้นกัน mm hmm. ได้แก่เอกคตาเจตสิกในไหนในมหากุศลจิตแปดและรูปาวจ ร, ประปทมชาญกุศลจิตหนึ่งเท่านั้นเอารูปาวัจระทุเตชะชาญก็ไม่เอาตติชะชาญก็ไม่เอาเจตตุทชาญก็ไม่เอาปัญญวชาญก็เอาในรูปก็ไม่เอาวิในที่อื่นก็ไม่เอา เพราะไม่เรียกว่าสงบนิวรธรรมเพราะรูปราววเอกคตาในทุติยฌานเขาไม่เขาไม่สงบนิวรธรรมเพราะเขาสงบวิตกวิจารณดังนั้นตัวสมถะจริงๆมันต้องตัวสงบกิเลสได้จึงเอาเอกคตาที่ในมหากุศลที่จังเป็นอุปจาระในอุปในอุปจาระก็เอา ที่ขณะที่จิตเป็นอุปจารสมาธิที่สามารถสงบนิวรณธรรมได้นะจึงจะเรียกว่าสมถ ะ, ถะมถ ไ, ไม่ใช่เขาไปสงบวิโตวิจารแต่เ<ต>ทียชานก็ไปสงบ<ต>ปิติเขาจึงเรียกปฐมฌานเป็นสมถะเขาไม่เรียกอย่อื่นเป็นสมถะเนี่ย นี่คือเหตุผลใช่ทางนั้นเราก็พูดมันเหมือนอย่างนี้ถามว่าตัวที่สงบนิวร์ได้จริงๆไม่ใช่ทุติยชานไม่ใช่ตติยชานไม่ใช่จตุติยชานไม่ใช่รูปรชานคือปฐมชานกับอุปจารสมาธิก็คือมหากุศลที่เอกขตาในมหากุศลที่ไปพิจารณา กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเช่นอนาปนานะเป็นต้นหรือว่ากสินเป็นต้นที่สามารถทำให้นิวรสสงบลงได้นั้นแหละณจุดนั้นแหละเรียกว่าสมถะจริงจะเรียกว่าสงบกิเลสมีการมาฉันทานิวรนเป็นต้นอันนี้เขาเรียกพูดโดยตรงฉะนั้นตัวพุทธิยชานเป็นต้นเขาเรียกก่าวโดยอ้อมเป็นสมถะโดยอ้อมเป็นทารณูปจารในไม่ใช่มุก มุขยันในเนีมุขยันนี่โดยตรงคือตัวนี้นะครับเนี่ยมันเหมือนว่าโอ้โหเขานี่แหละเป็นคนเริ่มต้นในการเปิดประเทศนี้หรือในการทำธุรกิจนี้แล้วต่อไปรุ่นต่อไปแล้วมาทำต่อไม่เหนื่อยเท่าเขาลอบเนี่ยเขาใจ ย, ยังนั้นเอกกคตาในมหากุศลกับเอกกคตาในรูปาวะจริญปฐะิานเขาเหนื่อยเขาเป็นตัวเบิกเขาเป็นตัวสงบนิวรณ ถ้านิวรนไม่สงบคุณจะเป็นสงบวิตกวิจารได้ยังไงคุณจะเป็นสงบปีติได้ยงไงคุณจะเป็นสงบสุขได้ยังไงเป็นต้นขยายยาังหลักการมันอย่างนี้มันจาเป็นไหมว่าต้องรู้องค์ธรรมเห็นไหมถ้าไม่รู้องค์ธรรมเนี่ยคนพูดก็พูดไปเถอะท่านก็นั่งเหมือนใบกินด้วยนะพูดออกไม่ได้ด้วยเสียงหูหนวกเหมือนหูหนวกเลยยุ่งเลย ฉันถึงบอกว่าเนี่ยมันมีความจําเป็นต้องรู้จริงๆถ้าเรารู้เบียเ็จปูบเนี่ยใครจะกล่าวผิดกล่าวถูกเราก็ไม่โทษเขาแต่เรารู้แล้วว่ามันคืออย่างนี้นะในความหมายจริงๆเนอะเราจะเรียนกันแบบแบบเอาเหตุเอาผลเอาความหมายที่แท้จริงแล้วก็ต้องศึกษาแบบนี้แหละแล้ก็ได้เหตุได้ผลแล้วก็ชัดแล้วไปฝึกขึ้นมามั่นใจมันได้กําลังใจตรงที่ได้โอ๋เรามั่นใจอะเราได้พบคําสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจ ฉะนั้นสรุปก็คือกิเลสเสสเมติติติสมโถรรมใดทำให้กิเลสมีการมาฉันทานิวรนเป็นต้นสงบลงธรรมะนั้นชื่อว่าสมถะถามว่าสมถะสมถะพูดกันจังก็สงบไงไอสงบในที่นั้นสภาวะเขาได้เก่ด อ, อะไรเอกคตาครับเอกขตาไหนไหนในมหากุศลกี่ดวงแปดแปดนแล้วก็ในรูปาวัจ ร, ประปฐมฌานกรุศลหนึ่งแค่นี้ ท่านในอื่นไม่เอาไม่เอาแล้วเออก็แปลกใจนะแล้วทำไมไม่เอาเอกคาตาที่ในมหากริยาด้วยเล่ามหากริยาจิตของพระรหารเนะี่ยทำไมไม่เรียกก็ต้องบอกว่ามหากริยาในะกิเลสไม่เกิดแล้ว ไม่ต้องไปสงบอะไรแล้วไม่ต้องไปสงบนิวรณแล้วจึงไม่เรียกว่าสมถะสำหรับพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายปัดทิ้งไปท่านทำกิจจบหมดแล้วเนี่นั้นไม่เรียกว่าสงบท่านจะไปสงบอะไรนิวรก็ไม่มีในใจท่านแล้วกิเลสอื่นๆนี่ยิ่งไม่มีใหญ่อันนี้จึงนับเนื่องเอาเฉพาะปุถุชนและเศขารุคลเท่านั้ น, น activate, ที่ทาสมถะให้เกิดขึ้นที่ข่มนิวรณ์ละทได้ จึงเรียกว่าสมถะนี่ชัดไหมนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้เนี้ยทีนี้อีกในหนึ่งนะอีกในหนึ่งนี่จะเรียกสมถะอี ก, อ, กอีกใ น, ในอ้อมอีกอย่างหนึ่งแตนี้เอาอีกในายะหนึ่งจิตตัง ส, สเมติติสมโถทําใดทําให้จิตที่ไม่สงบเนื่องจากการได้รับอารมณ์ หลายๆอย่างสงบลงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวฉะนั้นธรรมนั้นชื่อว่าสมถะอันนี้ได้แก่สมาธิอันนี้เอาแล้วเนี่ยได้แก่สมาธิคือเอกคตาที่ไหนๆในมหากริยาจิตแปดและรูปาวจรากริยาปถมชาญนจิตหนึ่งเห็นไหมในยะนี้เรียกสมถะได้แต่ไม่ใช่เป็นตัวสงบกิเลส แต่สงบความการรับอารมณ์หลากหลายมาตั้งมั่นในอารมณ์เดียวของพระลรหัน์เรียกสมถะของพระละหันต่างกันแล้วแตเนี้ยสมถะของปุถุชนสงบระงับกิเลสมีการมาชันทะเป็นต้นของปุถุชนและเสกขะแต่ถ้าสมถะของพระลรหัน์หมายความว่าท่านจากการรับอารมณ์หลากหลายทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มาดิ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จึงได้แก่เอกคตาเจตสิกที่อยู่ในมหากริยาจิต8และรูปาวจระกิริยาปฐมฌานจิตหนึ่งรูปาวจรกริ ร, ร, กริยาปฐมฌานจิตหนึ่งนี่นะปฐมฌานกริยาจิตหนึ่งนี่แหละนี่แหละถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกสมถะของพระอรหันต์ไม่ใช่สมถะของปุถุชนและเสคารุคล เริ่มเห็นไหมว่าสงบจากนิวรณกับสงบจากอารมณ์ที่รับเรียกสมถะมุมไหนอ้าวแต่นี้มันจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราตรงไหนรู้ไหมถ้าเขาถามว่าสมถะที่แปลว่าสงบเนี่ยหมายถึงสงบจากอะไรล้วบอกถ้าสงบแบบสงบจากนิวรณทั้งหลายที่ปุถุชนอย่างเราๆและเศขษบบุคคลเนี่ยที่ท่านสงบอันนั้นเป็นสมถะ สมถานั้นได้แก่ตัวสมาธิคือเอกขตตาที่ในหมหาอุสนและรูปาเาเจละปฐมฌานอันนี้หมายถึงสงบจากนิวรณนะแต่ถ้าสมถะของพระอรหันต์เป็นอีกอย่างนะเพราะปกติพระอรหันต์เวลาท่านรับอารมณ์หลายๆอย่างเนี่ยท่านจิตของท่านก็ไม่สงบเหมือนกัน เพราะเดี๋ยวก็รับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ท่านต้องบริหารจัดการงานต่างๆใช่ไหมก็เรียกว่าไม่ตั้งในอารมณ์เดียวก็เรียกไม่สงบแต่ท่านไม่เคยเดือดร้อนใจนะพระอรหันต์ท่านจะไม่ทุกข์ใจนะครับทุกกายอยู่แต่ใจท่านไม่ทุกข์แต่พวกเราลองรับอารมณ์หลายๆอย่างขึ้นมาเริ่มเครื่องนะครับอะไรทําให้เครื่องพยาบาทนิวรรับอารมณ์สวยๆงามๆทําให้กําหนัดอะไรทําให้กําหนัดการมาฉันทานิวร์ รับอารมณ์บ่อยๆยๆเข้าทําให้เซ็งให้เบื่อทําอะไรทําให้เซ็งให้เบื่อทีน้ำมิททีน้มิทามิตร น, น, นิวรรับอารมณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้บ่อยๆทําให้ฟุ้งซ่านทําให้ลาคาญใจอะไรทําให้ฟุ้งซ่านลาคาญใจอุทธจักรกุกจักรรับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มันรู้สึกลังเลไม่อยากจะเนีลังเลไม่มั่นคงในกุศลไม่อยากจะเดินกุศลต่อลังเลสงสัยในตัวเองว่าจะไหวไหมไม่ไหวไหมเป็นต้นอะไรทําให้เราฟุ้งซ่าน วิจิกิจฉาฉะนั้นด้วยเหตุผลที่เราไม่มีสมถะคือเอกคตาที่เป็นสมาธิที่ไปลังงับหรือสงบนิวรณธรรมได้เราไม่เข้าถึงสมถะนี่แหละเราจึงไม่ได้ความสงบจากนิวรณธรรมถ้าเราสงบจากนิวรณธรรมได้หรือบุคคลที่เขาได้สมถะได้เอกคตาที่ในมหากกศล8และเอกขตาในรูเปาจรับปฐมประชานปุ๊บ บุคคลเหล่านี้เขาก็จะไม่ไม่ฟุ้งหรือไม่ไม่วุ่นวายด้วยกามาันนะนิวรณ์เพราะสิ่งเหล่านี้สงบราบคาบแล้วเขาเรียวกว่าไม่มีโรคใจแล้วที่รบกวนแล้วสงบได้ถึงแม้ไม่ถอนรากถอนโคนก็ไม่มีอิทธิพลมาทํำร้ายจิตใจของเราแล้วแต่ทุกวันอย่าลืมนะมันทําร้ายจิตใจเราตลอดเลยนะป่วยตลอดครับป่วยตลอดใจมันป่วยตลอดมองเห็นอย่าง วันนี้ป่วยวิกี่รอบแล้วทุกวันเลยป่วยทุกวันเลยใจไม่สงบแต่ตาพารหรันท่านก็รับสีเสียงกินลดผพิตภัทฑ์มอารมณ์ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ใจท่านก็ไม่สงบเหมือนกันแต่ท่านไม่ทุกข์ใจนะแต่ถ้าเวลาใดเวลาหนึ่งท่านต้องการความสงบปุ๊บท่านก็ใช้เอกกตาเนี่ยที่ในมหากริยาหรือในรูปวาวาเจระปถประชาท่านเข้าฌานของท่าน หรืเข้าถึงความสงบในด้านอลาบอุพจาริยละเช่นท่านเจริญศีละพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติศีลาจาคาอุปสมาเทวตานุสติมรณ า, านุสติท่านก็ได้อุปจาระที่เป็นหมาหกริยามาหากริยาจิตแปดเอกขตานนั้นก็เกิดขึ้นกับท่านถ้าท่านจะเดินปฏิภาคเดินกสินสิบอสุภากสินสิบอุภาสิปุ๊บเนี่ยท่านก็จะได้รูปาวจรั กิริยาเนี่ยปฐมปฐมกิริยาจิตหนึง่งเกิดขึ้นท่านท่านสามารถจะตั้งมั่นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมง เ, เรื่องท่านแล้วท่านสงบอย่างนี้เป็นต้นนี่เข้าใจสมถะ อ, อีกในหนึ่ง <c oughs> วิตกสมถะมีทั้งสามในเนีน่ยทีนี้อีกในหนึ่งที่จริงเขาขยายไว้ในนี้วิตตกาธิ โอราริกะธรรมมสเมติติสมะโถทำใดทำให้องค์ชาญชนิดหยาบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออทำให้องค์ชาญชนิดหยาบมีวิตกเป็นต้นสงบลงไม่ให้เกิดฉะนั้นธรรมะนั้นเป็นสมะถะ นี่สมถะในที่สามที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่โดยตรงแล้วนะอันนี้เป็นในยะที่สามแล้วหมายถึงเองก ก, ก, กตาที่ในทุติยฌานที่ในทุติยฌานกุศลด้วยกิริยาด้วยอันนี้เอาไปทั้งคู่เลยนะสมถะในยะที่สามเนี่ยเอาทั้งทุติยฌานกุศลเออทุติยฌานกุศลทุติยฌานกิริยา ตัดทีชาญกุศลตัดทีชาญกิญกริยาเจตุทัชานกุศลเจตุทัชานกิริยาเป็นต้นนะเป็นต้นเนี่ยจนถึงปัญจมาชาญกุศลกิริยาเนี่ยให้เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าสมถะสรุปคือสมถามีสามเนยะเนยะแรกก่อนปุรุชนทั้งหลายที่กําลังเจริญสมถะกรรมฐานอยู่นั้นเวลาที่มาหมากุศรจิตตุ บ, บาทเกิดขึ้นเรื่อย ๆ, ๆถ้าผู้นั้นเป็นติเหตุกับปุรุชน นะมีความเพียรพยายามอย่างเพียงพอแล้วก็จะสามารถสำเร็จเป็นชานลาภีบุคคลคือรูปาวาจะะรัปธมฌานกุศลก็เกิดขึ้นมหากุศลจิตุบาทและปฐมฌานกุศลจิตุบาทเนี่ยเหล่านี้มีเอกะกตตาเจตสิกเป็นประธานเป็นประธานนะเอกะกตตาคือตัวสมาธิเนี่ยเป็นประธานท่านมุ่งหมาย เ, าเฉพาะเอกะกตตาเจสิกดวงนี้แหละจึงเรียกว่ากิเลสเสมติติสมโถ เอาดวงนี้เป็นประธานที่ในมหากุศลหรือในมหาหที่ในรูปปาวจรักุศลปฐมวชานกุศลเอาตัวนี้เป็นประธานนะครับไอ้คําว่าสมถะเนี่ยไอ้ตัวเอกคตาตัวนี้เป็นตัวผนึกเนะื้อมันเหมือนผงสบู่ที่มันผนึกตัวก้อนสบู่ให้เป็นก้อนกันทนะั้นถ้าตัวเอกคตาตัวนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเขาจะผนึกครับจิตเจรสิกกุศลจิตนะครับ เขาผนึกตัวกลุ่มนามมาทำทั้งหลายให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้มีพลังแล้วก็มุ่งไปที่อารมณ์เดียวไม่ซัดสายครับไม่ซัดสายตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ซัดสายฉะนั้นพอเขาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนี้ไม่ซัดสายเขาจึงไปประกอบอยู่ในมหากุศนมหากุศนจิตแปดกำลังตั้งมั่นอยู่นั่นแหละถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆเขาจะเคลื่อนย้ายไม่ใช่มหากุศลแล้ว เป็นมหาเป็นรูปาวจ ร, ประปทมชิคานกุศลมีปฏิภาคคณมิตเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นฌานนจิตเลยฉนันเขาจะสามารถถ้าเขาชนานาญแคล่วคล่องเป็นวสีเป็นต้อนอะไรเนี่ยเขาจะตั้งมั่นได้ตามกำหนดที่ต้องการถ้าต้องการจะตั้งมั่นในปฏิภาคคณมิตหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ตนเองใส่ใจอยู่นันน่ะว่า จะเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงหรือเป็นวันเขาก็ตั้งมั่นได้ไม่หลุดไปจากอารมณ์นั้นเลยครับเป็นชาญาจิตเกิดติดต่อไม่มีจิตอื่นมาขั้นไม่มีการลงพวังเลยครับขึ้นติดต่ออย่างนั้นแหละตามที่เขาอธิษฐานไว้ตั้งใจไว้ครบแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงปุ๊บเขาก็ออกมาเนี้ยมันขนาดนั้นเลยนะนี่ความตั้งมั่นของเอ ก, ก, ะกะตาเป็นประธานนี่เป็นแบบนี้ เคยได้ภาวะจิตแบบนี้ไหมลองคิดดูที่ว่าทำได้ขนาดนั้นมีปทมชานเนี่ยเป็นต้นเนี่ย <im itation> เขาตั้งมันได้ขนาดนั้นแต่ถ้าตัวมหากุศลไม่ได้ยาวขนาดนั้นเพราะเขาเป็นเดี๋ยวจะบอกเขาเรียกปริตะสมถะเป็นเป็นธรรมะที่มีอนุภาพน้อย ปฐมฌานเป็นต้นเขาเรียกมหาคตาสมถะเป็นธรรมที่มีอนุภาพมากเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้อนุภาพเขามากสามารถตั้งมั่นในอารมณ์ได้มากดิ่งได้รุนแรงกว่าลึกกว่าลึกขนาดไหนลึกจนขนาดปิดการได้ยินเสียงได้เลยครับนั้นถ้าได้ปฐมฌานเนี่ยปิดได้ยินเสียงเลยครับแต่ถ้าหากว่าเป็นอุปาละเนี่ยได้ยินเสียงแต่เบา บเบาเนี่ยชัดเบาเสียงดังๆเนี่ยมันลดทนเสียงไปตั้งแปสิบเปอร์เซนต์เหลือยี่เเหลือสิเปอร์ซย่างเงี้ยเนี่ยบางทีเหลือแค่ห้าบางทีเหลือแค่แคไม่กี่เปอร์เซนต์เนี่ยแต่ยังเหลืออยู่แต่ถ้าปฐมฌานปุ๊บเสียงหายเสียงมันหายไปเลยท่านรารู้อย่างนี้ได้ฌานหรือไม่ได้ฌานท่านจะวัดตัวเองได้ไหมได้ทันทีเลยอย่างนี้แต่ไม่ใช่หลับนะครับ ถ้าหลับก็ปิดเสียงเหมือนกันผมน ah like ี่ประจำเลยหลับนี่แล้วไม่ได really ้ยินเสียงไม่ใช่ไม่ใช่จริงไหมนั่งแล้วหลับเลยไม่ได้ยินเลยเคยเป็นไหมครับ เ ล, ล่ถาถามดีทวีเหตุโอกาบุคคลสามารถได้ฌานหรือไม่คําว่าทวีเหตุโอกาสเนี่ยก็จ <c oughs> ะเกิดมาด้วยเหตุสองอโลภะเหตุคือความไม่โลภอะโทสะเหตุคือความไม่โกรธแต่ขาดปัญญาในขณะเกิดนะ คือจิตเนี่ยที่นำปฏิสนธิ์ไม่ใช่มหากริมหาวิบากญาณสัมปยุตแต่เป็นมหาวิบากญาณวิปยุตแปลว่าไม่มีปัญญาจิตสี่ดวงดวงใดดวงหนึ่งที่เป็นตัววิปยุตเนี่ยทําหน้าที่ปฏิสนธิในขณะเกิดนะครับ <c oughs> ตอนเกิดไม่มีปัญญาแต่ตอนมาขวนขวายให้ปัญญาเกิดได้ไม่ได้แต่ถามว่าสามารถจะทํา ชาญนจิตให้เกิดได้ไหมไม่ได้คัดหลักคัดหลักตัวไหนใช่ไหมในคำพีวิสุธิมรรคคถาแรกเลยคถาแรกเลยคถาแรกว่ายังไงขึ้นต้นว่าไงคาถาแรกเลยฮะอ๋อไม่ได้ท่องออมา นราชนเนี่ยใช่ ไ, ไมนราชนนรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและเจริญปัญญาสามารถที่จะถางลกชัดในในขันธสันดานเป็นต้นได้อันนี้บ่งบอกถึงได้บุคคลที่เป็นตีเหตุกาปฏิสนธิเกิดมาพร้อมด้วยเหตุสามนะ ได้เหตุสามแล้วมาตั้งมั่นในปาธิโมกสังวรลศีลอบรมจิตก็คือว่าได้สมาธิระดับอปปนาเป็นต้นแล้วก็จเจริญวิปัสสนาปัญญาก็จะสามารถกาจัดกิเลสที่เป็นเหมือนรกชัดที่มันรกทั้งข้างในและข้างนอกเนะี่ยให้หมดเส้นจากขันธสันดานเป็นต้นได้ดังนี้บ่งบอกชัดคนที่ปฏิสนธิด้วยทวีเหตุกุกะเหตุสอง ไม่สามารถทำฌานสมาบัติให้เกิดได้แต่สามารถทำปริตตะสมถะได้ก็หมายความว่าได้อุปจาระแต่มีข้อแม้ต้องเป็นประเภททวิเหตุตุกกะอุกกระถามีความเพียนแก้วกล้าอุตสาหะอย่างมากอย่างมาก ถ้าโอมะกะอ่ อ, อนพวกศรัทธาวิริยะสติสมาธิอ่ อ, อนแต่พวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในปัจจุบันเนี่ยลุยเต็มที่แก่กล้าเอาจริงเอาจังเนี่ยได้ได้อุปจาระนะครับได้ไ ด, ได้ได้แค่อุปจาระได้พุทธคุณได้ได้อนุสติพวกนี้ได้สามารถระงับนิวรณ์ได้ระดับอุปจาระ แล้วสามารถเดินวิปัสสนาญาณได้ไหมได้ต้นๆทั้งหลายเลยนี้สามารถทำให้เกิดได้แต่ไม่สามารถบรรลุปเป็นพระอริยะได้ฉะนั้นสรุปก็คือทั้งสมถาวิปัสสนาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สามารถตนเองจะเข้าถึงได้แต่ต้องอุตสาหะเต็มที่เลยครับเพราะอะไรพื้นฐานนำปฏิสนธิมันขาดไปตวงขาดปัญญาเป็นฐานรองรับครับ ฐานปัญญาเป็นฐานรองรับนี่เป็นแบบนี้ชะนั้นจะเห็นคนบางคนโอ้โหเข้ามาในศ า, าสนามุ่งมั่นจริงๆเอาจริงเอาจังแต่เขาช้าเหลือเกินก็เห็นไหมครับช้าหลายด้านเหลือเกินแต่บางคนนะเป็นติเหตูกาเนี่ยครับแต่เป็นติเหตุกาโอมะกะไม่ใช่อุกตถาเคยเห็นไหมเออ ประเภทที่มันหย่อนทุกตัวเลยแต่เรียนอะไรแปร๊บแป๊บแอเข้าใจเนะทําท่าก็เรียกว่าบุ๊บบูบูบบูบ๊บเลยเหมือนเหมือนน้ําทะเลมันขึ้นปึ๊บแป๊บเดียวลงน้ําปากอ่าวน้ําปากอ่าวมันตอนท่าขึ้นหนุนขึ้นมานิดเดียวแต่มันก็หนุนมาอย่างงั้นแป๊บเดียวก็ลงแล้วนี่เหมือนกันถู ก, กระตุกได้วันสองวั น, น, นเดี๋ยวก็แผ่ว กระตกวันสองวันก็แผ่วเคยเป็นไหมครับไอ้โรคแบบนี้ใช่จริงตีเหตุเป็นลักษณะแบบนี้เยอะเลยแล้วออไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเขาเนี่ยปัญญาเขาเด่นแต่มันมันเขาเขาเรียกตัวเนี้ยไอ้ตัว ประธานนะสังขารเนนะี่ยไอความเพียรที่สร้างสรรค์เนะี่ยหรือความเพียรที่เป็นตัวสังขารนนะ่ยมันต่ําเ้าเรียกอมาตะเนี่ยไอตัวนี้มันต่ำไอตัวหนุนเนะ่ยไอก้องหนุนเนะี่ยมันต่ําก้องหนุนต่ําครับระฮะทำไม อ๋เราได้ตัวเราเนี่ยศึกษาเป็นสภาพเข้าใจเลยครับโอโ้ชัดเลยครูเร่องนี้จะรู้เลยที่เร่งเต็มที่เลยครับโอ้ได้ไม่ต้องหวง่วไม่ต้องห่วงเลยต้องไม่ตัวเราพระสังเกตเรารู้เลยโอ้โหชัดเลยเราตายแล้วง้นนี้ต้องรีบแล้วไม่ไหวแล้วขนาดชาตินี้ยังขนาดนี้ไปชาติหน้าเราแย่แน่โอ้โหเรืองนี้ประเภทที่ถ้าคนรู้ว่าตัวเองเป็นทวิเหตุ ให้ใช้วิธีการทบหมอข้าว ถ, ยย ถ, าถ้าต้องการพ้นทุกข์อย่เพิ่งรู้วันนี้ผมก็คงไปไม่ไหวแล้งอาจารผมสึกไปดีกว่าเดี๋ยวยุ่งเลยอเดี๋ยวต้องรีบแล้วนี่จะไม่คืองี้ อันดับแรกก็ปุดุชนใช่ไหยที่กำลังเจริญสมถะอธิบุคคลไปแล้วสองผู้ที่สำเร็จเป็นพระหันแต่กลับมาเจริญสมถะกรรมาฐานเพื่อจะให้ได้โลกิยชฌานในเวลานั้นมหมากริยาจิตุบาทก็เกิดขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนสำเร็จเป็นฌานลาภีบุคคลได้ในพระละหันบางทีท่านไปสายสุขาวิปัสสกาแล้วท่านก็มาเดิน <c oughs> สมถะที่หลัก็มีนะครับอย่างเงี้ยนะจนปฐมฌาน กิริยาจิตุบาทเกิดขึ้นฉะนั้นปฐมฌานกิริยาจิตุบา ต, เ ก, ากา ต, บาตเกิดของท่านเนี่ยไม่ต้องการไม่ได้ทําละไม่ไม่ต้องไปประหานิวร์แล้วเพราะอะไรเพราะว่าท่านละกิเลสได้หมดแล้วอนุสัยกิเลสมันขาดไปแล้วนิวร์มันจะตั้งอยู่ตรงไหนมันหลุดไปหมดแล้วครับแล้วอย่างนิวร์เรา ท, ทั้งหลายเหล่าเนี่ยมันมีอนุสัย กับปริยุทธานะแล้วก็วิติกามะใช่ไหมพระอรหันต์ทั้งหลายละกิเลสได้หมดเลยโดยเฉพาะรากของกิเลสเหมือนต้นไม้ถูกตัดรากฉะนั้นก็คือมหากริยาจิรุบาทปฐมฌานกริยาก็เหล่านี้เองเอกก็มีเอกคตาเจสิกเนี่ยเป็นประธานเหมือนกันท่านมุ่งหมาย เ, าเฉพาะเอกคตาเอกเ อ, เ อ, เ อ, อกคตาเจสิกดวงนี้เหมือนกันจึงเรียกว่า จิตตังสเมติติสมะโถในสาวนี้นะไม่ได้เอากิเลสเสเมติติสมะโถแต่ถ้าเป็นปุรย ช, นะชนนะบุรยชนเนี่ยเอากิเลสเสเมติติสมะโถหมายถึงอะไรธรรมชาติใดทําให้กิเลสมีการมาฉันทานิวรณ์เป็นต้นสงบลงธรรมชาตินั้นเรียกว่าสมถะอันนี้หมายเอาตัวสมาธิหรือเอกคตาเจสิกที่ในมหากุศล 8ปดและรูปเปาเจราปรถมฌานกุศลนะคว่าแต่ถ้าจิตตังสเมสเมติติสมถโภไม่มีคำว่ากิเล ส, สคือจิตสงบอ่ะที่เป็นสมถะอันนี้หมายถึงพระหลัที่มหากริยาเอก ก, กตาในมหากริยาแดกับเอกกตาที่ในรูปเปาเจราปรถมฌานกิริยาจิตหนึ่งนี่นะเอาอย่างนี้นะ ส่วนประการที่สาปฐมฌานลาภีบุคคลที่เป็นปุรุชนและเศขะที่เป็นบุรุชนและเศขะอาเศขะด้วยเหล่านี้เมื่อเจริญสมถกรรมฐานต่อไปฌานเบื้องบนตั้งแต่ทุติยฌานตัทธิฌานจตุติฌ า, านเนี่ยจนถึงปัญมฌานเนี่ยตัวกุศล กิตตวบาทรหกิริยาจิตวบาทที่เป็นฌานเนี่ยนะไม่ต้องทำการประหารกิเลสคือนิวรธธรรมเป็นต้นแฮแต่เอากาคัตตาที่เป็นสมาธิเกิดขึ้นเพื่อละกลุ่มทวกธรรมะที่ยังหยาบๆยบอยู่มีเช่นทุติยฌ า, านก็ละวิตกถ้าเป็นห้านะตาเตียฌานละวิจารเนี่ยนะจะตุทัฌ า, านละปิติปัญจมาฌานละสุข นะอันนี้เขาสงบเพื่อจะสงบไอ้ตัวองค์ฌานที่ห ย, ยาบหยาบทิ้งองค์ฌานที่ห ย, ยาบหยาบเพื่อเข้าถึงองค์ฌาสภาพจิตที่ละเอียดขึ้นสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นเป็นไปตามลําดับท่านจึงใช้คําว่าวิตกกาธิวิตักากะบวกอาทิเป็นเป็นต้นมีวิตกเป็นต้นวิตกกาธิโอราลิกะธรรมเม สเมตติติสมะโถหมายถึงอะไรทำใดทําให้องค์ชาญชนิดหยาบมีวิตกมีวิตกเป็นต้นสงบลงคือไม่ให้เกิดฉะนั้นธรรมนั้นเชื่อสมถะอันนี้ได้แก่สมาธิคือเอกคตาที่ในทุติยาชาญกุศลและกิริยาเป็นต้นจนถึงปัญจมาชาญกุศลและกิริยา อันนี้เห็นไหมสมถะมีสามนิยัคนิยัคของปุถุชนนิยัคของพระอรหันต์นิยัคของปุถุชนและเสขาบุคคลและของพระอรหันต์เป็นต้นนี่จบแล้วนะสามนิยะคําว่าสมถะเราสามารถตอบได้ทุกประเด็นแล้วแต่นี้เอาประเด็นต่อมาคือสมถตมีสองเมื่อสักครู่ที่พูดไปแล้วก็คือปฤตตาสมถตและมหากะตาสมถะ อะไรเรียกว่าปริตตาสมถะการเจริญสมถะกรรมฐานของบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงอัปนาภาวนาเชื่อปริตตาสมถะเพราะในขณะนั้นมีแต่อะไรมหากุศลและมหากริยาชนะเท่านั้นคือเอกะคะตาเจดสิกที่เป็นสมาธิที่ในมหากุศลและมหากริยาที่กําลังขมักขม้นในการเจริญหรือตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่เช่นถ้า เพ่งกสิณตอนนั้นก็มีปฏิภาคคณิมิตเป็นอารมณ์แล้วตัวอารมณ์เป็นปฏิภาคคณิมิตมีความใสแล้วถ้าลมหายใจเข้าออกก็แสงสว่างแล้วแต่ตัวภาวนาได้แค่อุปจารภาภวนาไม่ได้เลยไม่ได้อปนาเพราะภ า, ภาวนามีสามใช่ไหมเริ่มต้นใหม่ๆเขาเรียกบริกรรมมาภาวนามีอะไรเป็นอารมณ์ มีบริกรรมมิมิตเป็นอารมณ์ไปได้ระยะหนึ่งพอลมนั้นตั้งมั่นขึ้นก็ดีตัวกับประจวีกวิคสินเนี่ยเปลี่ยนแล้วคำว่าเปลี่ยนแปลว่าอะไรตอนที่อารมณ์เป็นบริกรรมมนิมิตรอารมณ์นั้นยังเป็นปรมัต a t อยู่ใช่ไหมมันเป็นดินน้ำไฟลมอยู่ที่ทำเป็นแผ่นนิมิตนี่แต่พอจเจริญไปจเจริญไปจเจริญไปคำว่าจเจริญไป คำบริกรรมไม่ใช่ไปท่องนะระลึกระลึกสติแข็งแรงขึ้นสมาธิเริ่มตั้งมั่นขึ้นเริ่มตั้งมั่นขึ้นปุ๊บนิมิตที่เป็นปรมตัตหายรับบัญญัติมาแทนเลยเขาเรียกว่าเหมือนถ่ายเอาภาพมาแล้วมาติดอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วไอการที่ติดอยู่ในใจอย่างนั้นน่ะแปลว่าไอตัวปรมตัตหลุดไปแล้วเหลือแต่บัญญัติคือภาพ ภาพที่ติดอยู่ในใจเป๊ะเหมือนเลยไม่ต้องไม่ต้องเพ่งเลยตอนนี้ยอันนี้เป็นอุกขานิมิตเห็นไหมทีนี้อุกตอนภาวนายังเป็นบริการภาวนาอยู่นะยังเป็นบริการมภาวนาอยู่นะตัวมหากุศลนมหากิริยายังเป็นบริกา ร, รภาวนาอยู่ น, ะ ต, น, รรนอนะตอนเนี้นะแต่นิมิตเปลี่ยนมีบัญญัติเป็นอารมณ์เรียบร้อยที่แรกยังไม่เรียกว่าบัญญัติก่อน ใช่เปลี่ยนสภาพแปลงสภาพเป็นบัญญัติแล้วเพราะไม่ใช่ของจริงแล้วไม่ต้องอาศัยตาดูแล้วใจก็ไปถ่ายภาพจับภาพได้เรียบร้อยเหมือนเป๊ะแล้วแข็งตั้งมั่นในใจนักเข้าบริกา ร, รไปเรื่อยๆจากบริกา ร, รภาวนาไปเปลี่ยนแล้วพอไอ้ตัวนิมิต จ, จากอุกานิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตใส สว่างขึ้นใสขึ้นไอตัวภาวนาเปลี่ยนเลยจากบริกรรมภาวนาเป็นอุปจาระภาวนาพราะอุปจารภาวนาเปลี่ยนปุ๊บเป็น น, นีเข้าถึงเขตแดนของสมถะเขาเรียกว่าปริตตาสมถะนิวรนการมชฉันทาพยาบาททีนะไม่ถ้าอุท雅 ก, กุกุจาวิชฌาลังกับแล้วถ้าพูดกันตามธรรมดาภาษา ภาษาของการศึกษาทางด้านวิชาการก็แล้วคุณได้คุณได้สมถะแล้วคุณได้คุณได้ปริตตชาญแล้วแต่ยังเป็นชาญที่ยังมีอนุภาพน้อยอยู่แปลว่าบางคนได้แค่นี้<บ>เดินวิปัสสนาญาณต่อได้แล้วครับเพราะว่านิวรณไม่รบกวนใจแล้ว นะครับนั้นโอกาสเดินวิปัสสนาญาณของพวกเรามีจริงๆได้ไม่ได้ยากกันเลยเลยนะครับอปปจาระไม่ได้ยากเลยเลยนะครับแต่มันยากคืออัปปนาอปปจาระนี่พวกเรามีโอกาสได้กันทุกคนที่นั่งอยู่ถ้าทําเป็นนะย คืออย่างนี้อืมเออถามแทรกตรงนี้สั ก, กด็ดีมันจะได้ไม่ต้องไปตอบอีกตัวนั้นที่จริงผมจะไปอธิบายอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้คือข่าวไปฟังว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยการปฏิบัติสมาธิมูลฐานพื้นฐานต้นเขาเนี่ยเขาเรียกขณิกาสมาธิตอนเริ่มสมาทานนี่นะครับยังไม่ตั้งมั่นเพราะเริ่มต้นบริกรรมมาบริกรรมมาสมาธิกับคณิกาสมาธิอันเดียวกัน นะครับอันเดียวกันตามอัตถกถาตามดีกาหรือปฏการเป็นต้นอะไรเนี้ยเรียกชื่อเดียวกันเลยคณิกาสมาธิกับบริกรรมสมาธิแต่พอถึงอัปปนาสมาธิเออเข้าไปะสมาธิอุปจาแลภาวนามันพัฒนาจากคณิกาสมาธิเป็นอุปยาลสมาแล้วแล้วมันสงบนิวรณ์ได้ทีนี้พอสงบนิวรณ์ได้แล้ว ถึงไปเดินวิปัสนาได้หรือบางคนก็พัฒนาจากอุปจาระไปถึงอัปนานิวรสงบแข็งแรงมั่นคงได้ดีกว่าหรือทูดีจะอะไรยิงหนึ่งจิตตุจันแต่พอได้อุปจาระหรืออัปนาแล้วเนี่ยเวลาจะมาเจริญวิปัสนาจิตก็ลงผวังก่อนพอลงผวังก่อนมาเดินวิปาาัสนาญาณพอมาเดินวิปาาัสนาญาณเขาใช้ระดับขณิกาสมาธิ แต่เป็นขณิกาสมาธิที่มีอุปจาระสมาธิและอัปนาสมาธิเป็นฐานอยู่เบื้องหลังเขาเรียกมีมีมีกำแพงอยู่เบื้องหลังพักพิงมันจึงกลายเป็นขณิกาสมาธิที่เดินวิปัสสนาญาณที่มีพลังมากกว่าขณิกะสมาธิอย่างที่เราเราทำกันเนี่ยมันทำไม่ได้โดยข้อที่จริงแล้วคือทําไม่ได้อย่าแปลกว่าทําไมเวลาเราไป ยังไม่ได้อุปจาระยังข่มนิวรละทำไม่ได้คิดวิปัสนาจนเหงื่อแตกมันก็อืดจิตก็อืดจิตก็โสกโปกจิตก็ไม่คล่องไม่ควรไม่มีกรรมญตาโอ้โหไม่มีปาคุณญตาไม่มีมุทุตาไม่มีละหูตามันไม่เบาไม่อ่อนไม่ควรมันไม่คล่องเลยจะแผ่เมตตาแต่ทีมันไม่ออกหรือจะไปพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาณ มันไม่ไปนะครับเหนื่อยเลยเนี่ยเราก็ฝืนสอนกันมาอย่างเงี้ยฝืนเอาคนไปทำวิปัสสนากันว่างั้นเถอะโดยไม่ให้นิวรณสงบก่อนก็ไปเดินวิปัสสนาก็ขัดหลักพุทธพจน์ในอังคุตตรันิกายโดยแท้ขัดอีกหลายที่ก็ให้ได้อุปจาร์ละเป็นอย่างน้อย อย่างน้อยเพื่อให้ได้พุทธคุณก่อนนะครับให้ซึ้งในพุทธคุณจนสงบนิวรณได้ก่อนครับก็เดินเดินวิปัสสนาญาณเป็นต้นอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ยังพอพอให้อภัยได้ น, นี่เห็นไหมความความไม่ชัดและไม่มีใครบอกเราเนี่ย ไอ้ตรงนี้มันเป็นความผิดของเราหรือความผิดของผู้บอกอบอก็มไม่รู้นี่ก็โทษสังสารวัตอยากไปอยู่ผิดที่ผิดทางก็ไปกันทั่วอยู่ไหมลนะ่ะเราก็เร า, มามไม่รู้อ่ะกันก็เลยโทษโมหะพอบอกโมหะมันเป็นใครบอกอวิชชาอวิชชาเป็นวัตตศีรษะเอาเป็นตัวเป็นหัวเอาสืบคนไปสืบมาอ๋อพระเจ้านี่เองอวิชชาคือพระเจ้า จะบูชาหรือทำลายเดี๋วนี้อาวิชาควรทำลายหรือควรบูชาควรทาลายก็ฆ่าต้องฆ่าฆ่าด้วยอะไรฆ่าด้วยปัญญาท่านพูดเองนะคเนี้ <c oughs> ใช่ไหมเพราะเป็นผู้สร้างนอาวิชาที่เป็นตัวสร้างท่้นต้องทำลายด้วยปัญญาในไหนใ น, ในอาราธมรักแต่ต้องเริ่มตั้งแต่นี้แล้ว ปัญญาในโสในปัญญาปัญญาในวิปัสนาญาณทำลายอวิชชาเนี่ยโดยแต่ทางค้าใช่หมปัญญาในโสดาปฏิมคทำลายอวิชชาที่จะทำให้ไปเกิดในไบยภูมิเป็นต้นจะถึงมันเขาละได้ตามลำดับก็ท่านพึ่งรู้ตัวเลยก็ลองคิดดูทีนะก็ ทำไมต้องโทรหาเขาทุกวันเพราะอวิชชาเนี่ยใช่หขาใจไม่โทรก็ไม่ได้เหนียงโกรธเอาใช่ไหมอ๋อใช่อี่อวิชชาแต่จริงๆคืออย่างนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยใจรู้ว่าเอออวิชชาเนี่ยเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นมูลใช่ไมเป็นมูลของวัตตะ แต่ไม่ใช่อวิชาตัวเดียวนะครับตัหาด้วยอวิชาเนี่ยเป็นมูลในอดีตตันหาเป็นมูลในปัจจุบันโออมันเล่นสองตัวมันมันส่งต่อกันอย่างนี้นะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยตันหาตันหามันมันทำหน้าที่ด่าหน้าอวิชามันอยู่ข้างหลังถามว่าระหว่างไอ้ไอ้โจนสองตัวเนี่ย ไอ่ตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ตัวไหนสําคัญเนี่ยเออแต่แล้วแต่ท่านไปเถียงกันเดงไงตอนเนี้ยจริงจริงไงไหมมันเป็นมันมันเป็นตัวด่านอยู่เบื้องเบื้องหลังคอยกากับด่านหน้า เดี๋ยวค่อยต่อที่กว่าที่เรียาวเอาแหมคิดได้เป็นช่องเลยเมื่อวันไม่ได้ไม่ธรรมาดาสรุปแล้วก็คือปริตตสมถะเมื่อกี้ถามเรื่องคณิกาโอเคยังคณิกาสมาธิต้องแยกกันระหว่างสมาธและวิปัสนาถ้าไม่ได้อุปจารสมาธิเป็นต้นอย่าหวังการเจริญวิปาาัสนาญาแต่การเดินวิปัสนาญาใช้แค่คณิกาสมาธินะ แต่คันนี้กาสมาธินั้นมีอุปจาระสมาธิกับอปนาสมาธิเป็นกำแพงอยู่ด้านหลังทำให้พิงไม่ง่ายท้องใครมีระดับอุปจาระปนาพิพิงคนๆ น, นั้นก็โอ้โหเขาเรียกแบ็คข้างหลังสุดยอดก้องเหมอนก็บอกว่าถ้ากีเรสมันถามาว่าที่เองลิอาฏฐานจะมาสู้กับเรามีใครเป็นแบ็ค แล้วเขาบอกว่ามีคณิการสมาธิเป็นแบกนี่มันหัวล็อกกากเลยถ้ามันเกิดบอกว่ามีอุปจารสมาธิเป็นแบกนี่มันเฮ้ยเยพอฟัดพอเหวี่ยงเว้ยมันคิดอย่างนั้นนะถ้าบอกอัปปนาสมาธิเป็นแบกมันโอ้โหมันเริ่มระสำมระสายเลยครับกิเลสถ้าบอกไม่ใช่อัปปนาระดับปฐมฌานนะมีเจตุตฌานเป็นเป็นแบกฌานที่สี่เป็นแบกโอ้โห กิเลสร้องไห้เลยโอ้หูันฐานเบลเลอร์เลยเนี่ยมันฐานเดียวกับแบกระดับพระพุทธอย่างพุทธเจ้าอย่างาภาษาวกของพุทธเจ้าเลยมากิเลสนี่งานนี้เราแย่แล้วเว้ยมันจะคุยกันดึงถ้าบอกมีขัน้นนิกาสมาธิเป็นแบกมันหัวเลาะกากเลยโอ้วันเยอมันจะมองอีกเลย จริง ม, มันเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นไหมว่ามันอยู่ที่ว่าตัวขณนิกาสมาธิที่จะเป็นฐานวิปัสนาญาณได้จริงเป็นตัวเดินวิปัสนาจริงมันต้องถามว่าใครเป็นแบกที่เบื้องหลังเพราะอะไรรู้ไหมเด๋ยพูดให้จบตรงนี้เถะเวลาเวลาไปวิวจัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิจัยญาณเนี่ยไปวิจัยเห็นความจริงเนี่ยเหมือนสู้รบกันจริงๆครับเหมือนสู้รบ ที่พอลบไปลบมามันยังไม่รู้แพ้รู้ชนะแล้วมีที่พักไหมคนไม่มีอุปจาระไม่มีอาบน้ำหมดไม่มีที่พักเลยนึงก็ล้มตายตรงนั้นเลยหมดสภาพทีนี้คนที่พอวิจัยวิจัยไปเบียดเสร็จปุ๊บโอ้โหมันถึงเวลาแล้วมันเหนื่อยแล้วเนี่ยมันไปได้แค่ระดับนี้เช่นลุกพื้นที่ไปแค่นี้ยเบียดเสร็จว่าโอ้โหต้องพัก พอพักไปเสร็จก็คือเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูเข้ามาพักปิดประตูเหมือนเหมือนอขอคอยลรปิดแล้วก็มากินน้ำมาพักผ่อนมาอะไรเงยฉะนั้นการอยู่ในอุปจาระในพุทธคุณเป็นต้นหรืออยู่ในอปนาก็คือการพักจิตเพิ่มจิตให้มีพลังให้มีความสาใสมีความแกล้าึ้นนั้นพักได้นานเท่าไหร่มีพลังมากแล้วออกไปลุยต่อ นั้นก็ถึงบอกว่าทิพยวิหารคือฌานสมาบัติใช่ไหมฮะพรมวิหารก็คือพักอยู่ในพวกเมตตากรุณาเป็นต้นอริยวิหารก็คือในพระสมาบัตินี่เราไม่มีไม่มีวิหารเลยยไม่มีที่พักไม่มีเครื่องอยู่นักลบไร้บัลลังก์ <laughs> หมดสภาพเลยวไม่ใช่ไลบลังไร่นักลบไร่ที่ซ่อนไร้ที่พักหมดนักลบของพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าวางแผนไว้ให้ดีหมดเลยก็จะสู้กับกิเลสนะครับเข้าใจยังเราก็ใช้อเยะบทวิหารไปก่อนอยู่ในเยะบทยืนมั่งเดินมั่งนอนบงแต่สติสัมปชัญญะก็เป็นที่พักได้ระดับหนึ่งนะครับ ในขณะที่ใช้สติสัพชัญญามีความเพียรที่สร้างสถานีการยืนเดินตั้งนอนก็ไม่กิเลสเกิดเหมือนกันแต่มันมีพลังน้อยถ้าไม่ได้ถึงอุปจารและอัปนาเป็นฐานพักนะครับเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะจะชัดไห ม, อ, ม อ, อ, อ้าว <ians> ตอนนี้มหาคตอง ปริตตสมถะเนี่ยขณะนั้นมีแต่มหากุศลหรือมหากิริยาเท่านั้นองค์ฌานที่ประกอบอยู่นั้นก็มีกําลังอ่อนเขาเรียกปริตตาฌานเช่นเดินพุทธคุณธรร ม, มคุณสังคุณอนุสติกลุ่มเนี่ได้นะแต่ก็ได้เนี่ยก็โหเป็นบุญแล้วคนที่ได้อุปจาระสมาธิคนที่ได้พุทธคุณหรือเข้าถึงสมาธิระดับนี้แล้วจะมีศรัทธาที่มากกว่า คนที่มีขณิกาสมาธิครับคนได้ขณิกาสมาธิเนี่ยก็ได้ศรัทธาได้ความเชื่อในเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาระดับขณิกาสมาธิถ้าได้อุปจารสมาธิเข้าถึงพุทธคุณนะครับก็จะเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาในพุทธคุณบุคคลเหล่านี้จะมั่นคงตั้งมั่นในพุทธคุณมากเพราะนิวรรธธรรมไม่รบกวนจะต่างจากศรัทธาของคนที่ไม่ได้อุปจาระครับ ยังคนที่เคยได้มาแล้วบุคคลเหล่านี้กล้าสละชีวิตเพื่อพุทธเจ้าได้จริงๆเมื่อเจริญพุทธคุณตามคุณสังคุณได้นะครับงนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมคนบางคนเนี่ยถ้าเรื่องพุทธเจ้าเนี่ยทิ้งได้ทุกคนเพราะว่าเขาเขาได้สมาธิระดับอุปจาระนะครับแล้วเขาเข้าถึงคุณของพพุทธเจ้าได้ตามข้อมูลความรู้ที่เขาศึกษามาด้วย มันเหมือนกับการที่มีไม้ไปย่างลงในมหาสมุทรที่ลึกแปดหมืนสี่พันยอดนะครับบางคนอาจจะได้แค่ไม้แค่วาเดียวเนี่ยสองวาสามวาจนถึงสิบวายี่สิบวาห้าสิบวาร้อยวาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยย่างยิ่งลึกเท่าไหร่เขาก็มีความทราบซึ้งให้สังเกตดูนะว่ามันไม่มีไม้ระดับสาวกทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นว่า ภาษาริบุตรสมมติว่าจะยังได้เป็นแปด0มื่นวาสมมตินะแปด0มื่นสี่พันวาแต่ทะเลลึกแปดหมื่นสี่พันยอดเนี้ยไมเวาลาระลึกถึงพุทธคุณจึงระลึกอย่างไรจึงไม่สามารถถึงอัปนาได้เพราะปักไม่ถึงพื้นเพราะพุทธคุณนี่ลึกมากนะครับเป็นปรมาถ ธ, ธรรมมันเหมือนเรือนะครับ ทิ้งดิ่งไม่ถึงเหลือซึ่งสมอไม ง, ไ ม, ง, ไ, มงไม่ถึงถึงไม่นิ่งไม่ถึงถึงไม่นิ่งนปรมัตธรรมไ ม, ญญไม่ใช่เลยโหไม่ปรมัตย์แต่ไงเช่น พ, พระษาพันยุตยานอนาวรณายานอินเทียปโปรปรียติยานมหากรุณาสมาปัฏิยานยมะกะัปฏิหาริยายนอาสยานุเส ย, ยานเป็นต้นเนี้ยหรือว่าปัวปรมัตธรรมที่เกี่ยวกับในเรื่องของ มหาปริศร克拉ขนาดามสองประการอนุวิจารณาแปดสิบเนี่ยได้มาด้วยกรรมอะไรเนี่ยหูต้องเจาะสภาวธรรมนะครับที่ทำกรรมมามากมายเหลือเกินที่จะตกแต่งสรีระยิ่คิดได้ออกได้หมดได้ไงครับลึกมากขนาดคิดได้แค่นี้ยังตื่นเต้นน้ำตาร่วงใช่ไหมครับนี่แหละจึงมีอารมณ์ที่ลึกแล้วก็ละเอียดจึงไม่ ไม่ทําจิตให้ตั้งมัน่นนะจนถึงอัปนาได้เพราะความลึกเพราะความเป็นปรมัตถธรรมเหมือนศีลานุสติก็เหมือนกันเห็นไหมคนของเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิต ร, ริกมาศีนโอ้โหลงพิจารณาไปสมภะธรรมทั้งนั้นกลุ่มพวกนี้เป็นปรมัตถธรรมนะครับ ทิงบอกลึกไม่ได้าไอ้ถึงบอกว่าลึกซึ้งตรงเนี้ยจึงทําให้ได้แค่อุปยาละแต่นิวรสสงบเลยนะครับดังนั้นศรัทธาเขาจะมั่นคงที่เขาได้ถึงอุปยาเขาจะเชื่อมั่นในสมาธิศิกขาระดับพุทธคุณเชื่อมั่นสมาธิศิกขาระดับธรรมคุณที่เขาจเจริญได้เชื่อมั่นในสมาธิศิกขาในในสังฆ ค, คุณเชื่อมั่นในศีลสิกขาเออสีลสัก ข, ขาในศีลคุณเป็นต้นอะไรเนี้ยในในใน หรือจากานุสติเป็นต้ น, นความเชื่อมั่นของเขามากหรือน้อยอยู่ตรงที่สมาธิที่เขาได้ปัญญาที่เขาตรวจสอบเห็นไม่ใช่ไม่เกี่ยวพุทธชนเนี่ยสามารถเจริญพุทธคุณได้ไม่ยากเลยถ้าท่านเดินฝึกจริงๆ ร, งรงเนี่ยเรื่องพุทธคุณเรื่องอุปจาระไม่ยากเลยครับข่มนิวรณ์ได้ไม่ยากในที่นี้แต่ท่านต้องเป็นระบบในการระลึกเนึ้อ พอระลึกเนี่ยเหมือนถูกหมือนโดนพลังพุทธคุณดึงได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยครับไม่คิดเรื่องอื่นเลยดึงมั่นคงปีติเกิดอิ่มอยู่งั้นนลยครับเหมือนแสงสว่างเห็นคุณของพระเจ้าเป็นไปตามลาดับที่ระลึกได้ที่ศึกษามาได้ขนาดนั้นเลยตั้งมันอย่างงีนี่บุรุชนแล้วนี่ยครับทำได้ เอาต่อไปมหาคตาสมถะการเจริญกรรมฐานของบุคคลที่เข้าถึงอัปนาภานาคือมหาคตาฌานนะครับมหาคตาสมถะเพราะในขณะนั้นมหาคตากุศลหรือมหาคตกียาเท่านั้นที่เกิดขึ้นกับเขามีปฐมฌานดุเรียฌานเป็นต้นองค์ฌานที่ประกอบอยู่นั้นมีกำลังมากวิตกวิจาร์ปิติสุขเอกคตามีกาลังมาก สามารถเข้าไปเพ่งในสมถะอารมณ์ได้อย่างแน่วแนว่มั่นคงมากเลยตั้งมั่นมากสมถานิมิตนะส่วนองค์ฌานที่ประกอบกับมหคัตะนั้นน่ก็มีกำลังมากสามารถแค่คำว่าประหารนะเขาเรียก ว, วิขำพนะประหารประหารนิวรธรรมโดยวิขำพนะโดยวิขมพนะบางทีเรียกว่าเหมือนขม่มแต่จริงๆก็คือตอนนั้นน่ะ กิเลสไม่เกิดหรอกแต่เขาถูกละได้ด้วยการไม่เด็ดขาดแต่กําลังของจิตที่มีพลังมากนะจิตที่มีพลังมากก็เลยเรียกว่าคมเรียกว่าวิค้ำพนะมันกับการคมมันก็เลยกลายเป็นว่านิวรธรรมไม่เกิดทีนี้พอจิตไม่มีนิวรเนี่ยจึงเป็นจิตที่มีพลังมาก เป็นจิตที่มีพลังมากมีอุปมาในพระสูตรมากมายเลยมีพลังมากเหมือนกันน้ำเลยแตเนี้ยที่ไหลมาจากที่สูงแล้วไม่ใช่กระจายด้วยนะเหมือนน้ำที่ทาเป็นล่องลงมาจากที่สูงแล้วมีน้ำไหลลงมาจะแรงขนาดไหนโอ้โหพัดพาสิ่งที่ควรพัดพานี่ยจัดกระจายไปงั้นจิตที่เป็นมหาคตาสมถะจึงมีพลังมาก เวลาไปตั้งมั่นในเรื่องอะไรก็พุ่งไปในจุดเดียวนะเรื่องนั้นดิ่งไปในจุดเดียวในเรื่องนั้นก็เลยที่บอกว่าที่บอกว่าจิตที่ประกอบด้วยองแปดเนี่ยมีอนังคณะเป็นต้นเราเนี่ยไหมก็คือว่าเป็นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วไม่มีมลทินเป็นจิตที่แข็งแรงเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่มีพลัง แล้วก็ไปจิตที่ใสสะอาดด้วยเหมือนน้าใสสะอาดไม่มีริ้วขึ้นไม่มีขึ้นรบกวนเลยเหมือนเทียนที่ไปจุดไว้ในที่ไม่มีลมอะ่ะไมไ ม, ไม่กระเพื่อมเลยเนะเกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องใสสะอาดมีพลังมองเห็นอะไรได้ชัดคือปกติน้ำเนี่ยครับ ถ้าน้าขุ่นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นปลาไม่เห็นเต่าไม่เห็นปูใช่ไหมไม่เห็นหอยที่มันแหวกว่ายไปมาเนี่ยแต่ถ้าน้าสะอาดแล้วนิ่งด้วยคิดดูมองเห็นอะไรได้ชัดจะแปลกแก่ว่าจิตเนี่ยจิตที่สะอาดนะครับเวลาจิตที่สะอาดเนี่ยท่านจะมองเข้าไปเห็นอะไรไปเห็นสภาวธรรมที่เกิดอยู่ในจิตครับ ปกตินะี่ท่านมองตอนนี้ท่านมองยังไงก็ไม่เห็นนะวิตกนะวิจารเนี้ยปีติสุขเอกคตาเนี่ยมันมีอยู่เลยนะวิตกวิจารปิติเวทนาเอกคตาเนี่ยมันมีอยู่ในจิตอีกเยอะแต่ถ้าจิตสะอาดระดับฌานเนี่ยมีวสีแล้วเนี่ยกลับไปมองดูนะไปพิจารณาดูนะเข้าฌานปับ๊บแล้วเข้าไปดูนี่นะเห็นหมดเลยครับอ๋อวิตกวิจารปิติเห็นหมดเลยครับ เพราะอะไรจิตมันไม่กระเพื่อมจิตไม่ไหวจิตไม่สันไหวจิตสะอาดแล้วจิตที่มีพลังจึงมองเห็นสภาวะธรรมเห็นองค์ฌานเหล่านี้ทุกอย่างเขาจึงสามารถรู้ได้เลยเนี่ยและเห็นองค์ฌานเขาถึงละฌานตามลำดับได้เข้าใจใช่ไหมนี่มันจิตใสขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นคือมันมันมืดมันมัน เออถ้าอบมาไงวันก่อนนีว่าไอ้กามมาฉันท้าเหมือนน้ำอะไรเนะเหมือนน้ำที่มีสีแดงสีดำสีเหลืองปอนอยู่เอาไปใส่ภาชนะมองเงาหน้าก็ไม่เห็นเนี่ตอนนี้เราถูกกามมาฉันทะาก้มลุ่มอยู่เราข่มไม่ได้เขาจัดกามมาฉันท้าออกไม่ได้มองเงาหน้าที่น้ำมีสีมองไงก็ไม่เห็นเนี่ยเอาใส่ภาชนะที่มีสีแบบนี้เข้าไปดีไม่เห็น ถ้าพยาบาท์อ่ะกุม้มรวมจิตเหมือนน้าใส่ภาชนะตั้งอยู่บนเตาเดือดตลอดเวลาเลยปุดๆมองก็ไม่เห็นชัดฉะนั้นจิตไม่เป็นสมาธิถ้าเป็นถีนามิทะเหมือนน้าที่มีจอกแหนมองก็ไม่เห็นอุทจักกุกจ่าเหมือนน้าที่ถูกลมพัดต้องกระเพื่อมตลอด ว, วิจิกาฉาเหมือนน้ําที่ ผสมโครนตมด้วยแล้วไปตั้งไว้ในที่มืดด้วยอันนี้หนักกว่าเขาเลยนี่นี่ไงเขาเรียกว่ า, วาตราบใดถ้าข่มนิวรธรรมไม่ได้ยาหมายเรื่องการเจริญวิปัสสนาจบไหมพอจะชัดไหมในนี้เขาเรียกว่ า, ว า, ามาฟังกันปุ๊บแล้วก็ให้ไปทําวิปัสสนาสํานักเรานี้เป็นวิปัสสนาล้วนๆไม่เอาสมถะ เราก็ได้รู้ได้นเนี่ยขัดพุทธพจน์ขัดหลักการจะทำยังไงคุณจะทำยังไงฮะมันก็มันมันก็เป็นอย่างที่เห็นกันนี่แหละมันก็เลยเป็นเป็นรูปแบบกันไปไอ้ความเชื่อเนี่ยมันลำบากจริงๆเลยก็ทำไงได้ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าบอกให้ศึกษาศึกษาฉะนั้นสรุปแล้วก็สมถะมีกี่อย่างปริตตาสมถะและมหคตาสมถะนั้นจะเดินวิปาาัสสนาญาณคุณต้องได้สมถะใดสมถะหนึ่งก่อนนะครับนี้ <laughs> นี่พูดตามในยะของพระอถาจารย์ที่ใช้พูดแบบเอาใจมากที่สุดเลยนะครับถ้าพูดตามพุทธพจน์แต่พูดตามพุทธพจน์นะครับพูดตามพุทธพจน์เนี่ยจะพูดอะไรรู้ไหมจะพูดตั้งแต่เอาตั้งแต่ปฐมฌ า, านทุติยฌานตัติยฌ า, านไปเลยนะี่ยใช่ไหมพระธรรมทาก็เลยท่านรู้พุทธทาที่บายรู้พุทธประสงค์ท่านก็เลยมาปรับ ให้ดูเห็นเออเข้าท่าเลยซึ่งถูกด้วยนะผูตาผูตาพุทธวจนดด้วยนะมีพุทธวจัดลับลอมด้วยผมเคยกล่าวหลายที่และเดี๋ยวกล่าวจะยาวใหญ่อ้าวต่นี้ได้แล้วนะได้สมถะเดี๋ยวพอพูดสมถะไม่พูดวิปัสสนาก่อนไม่ได้ต่อไปวิปัสสนาภาวนาเพราะเพราะว่าภาวนามีสองไงสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาโอ้โหวันนี้ได้แค่นี้เองมาจากคำลูปาธิอารามเนสุปัญญติยาจ นิจจสุขะอัตาสุภะสัญญายะจะวิเศ ส, เสนานามรูปภาวนาภารูปภาเวนะวาอนิจจธิอากาเรนะาวะาปัสสติติวิปนะัสนาธรรมชาติใดย่อมเห็นแจ้งในรมต่างๆมีรูปารมณ์เป็นต้นโดยความโดยโดยความเป็นรูปนาม ที่พิเศษออกออกไปจากบัญญัติที่พิเศษออกไปจากบัญญัติโดยการละทิ้งสัทธบัญญัติและอัตถาบัญญั ต, แญญติและย่อมเห็นแจ้งในอารมณ์ต่างๆมีรูปารมณ์เป็นต้นโดยอาการที่เป็นอนิจจะทุกขะอนัตตาอาสุภะที่พิเศษออกไปจากนิจจาสัญญาวิปัะลาสุขาสัญญาวิและอัตตาศัญญาวิปัลาสุภะัญญาวิปรลลาสญญา เสียฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อวิปัสนาแวิปัสนาจึงได้แก่สภาวธรรมองค์ธรรมจึงได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ในมหากุศล8แปดเที่ในมหากุสุญาณสัมปยุตเจจิตสและมหากริยาญาณสัมปยุตเจจิตสนี่นี่วิปัสนาคือตัวนี้นะครับคือปัญญาเจตสิกที่ในมหากุสุญาณสัมปยุต สี่ดวงนะ่สี่ดวงหน้าถ้าไปท่องอ่ะสมมานาสสาฆ่าตังย า, ยานาสัมป ย, ยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญาเนี่ยประกอบด้วยปัญญาตัวเนี้ยเป็นต้นเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ปัญญาที่ในหมหากุณ ญ, ญาณสัมปยุตและหมหากริยญ า, าณสัมปยุต ท, ที่ไปพิจารณาเห็น อารมณ์ทั้งหเนี่ยมีรูปารมณ์เป็นต้นเนี่ยสรุปลงด้วยความเห็นด้วยความเป็นรูปนามที่พิเศษออกไปจากบัญญัติโดยทิ้งศัทธะบัญญัติและอัธบัญญัติอะไรคือสัทธะบัญญัติสัทธะบัญญัติก็มีพวกวิชมานะบัญญัติเป็นต้นเนี่ย วิชมานะบัญญัติอวิชมานะบัญญัติคือบัญญัติที่ไม่มีสภาวะรองรับเขาเรียกวิชมานะวิวิวอวิชมานะไม่มีสภาวะรองรับวิชมานะบัญญัติคือมีสภาวะรองรับมันต้องทิ้งบัญญตัติต้องไปเจาะเห็นสภาวะที่เป็นปรมัตต์จริงๆใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอันนี้เป็นบัญญัติไหมคำเนี้ยคำว่ารูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขั น, ขนวิญญาณขันเป็นบัญญัติไหมรูปารมณัทธารมคขันธารมรลาสาลมพลธภารมธรร ม, มารมเป็นบัญญัติไหมเป็นบัญญัติแต่มีมีสภาวธรรมมีของจริงรองรับอยู่ไหมมีใช่ไหม คำว่ายิ้มคำว่าวันคำว่าอนุศน์มีสภาวะรองรับไหมไม่มีไม่มีเลยยิ้มอะไรรองรับนี่ไม่ไม่ใช่คำว่ายิ้มมันบัญญัติขึ้นมาตั้งขึ้นมาใช่ไ้มละ่ะไม่รู้ก็ได้งไงละ่ะถ้าคนไม่รู้จากคําว่ายิ้มเนี่ยหมายถึงอะไรอะ ไปทุวเลยคําว่าวันเนี่ยเ อ, อวันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์วันจันทร์ไปนู่นแหะไม่ได้มีสภาวะรองรับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอวิชมานนะคำว่านาฬิกาเนี่ยมีอะไรรองรับอะ่ะไม่มีแต่คำว่ารูปเนี่ยมันมีอ็ความสภาวะที่ ถูกความเย็นและความร้อนเนี่ยที่นี่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยมันผุพังหรือแตกสลายไปเพราะความเย็นความร้อนมันมีสภาวะอันนี้รองรับอยู่คําว่าเวทนา ม, มีคําว่าสุขและทุกข์เฉยๆรองรับอยู่คําว่าสัญญามีไอตัวสภาวะที่จําได้หมายรู้รองรับอยู่ไอคำว่าสังขารก็มีสภาวะที่ปรุงแต่งที่เป็นกุกุศลอกุศลรองรับอยู่คําว่าวิญญาณมันมีสภาวะที่รู้อารมณ์รองรับอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบัญญัติที่มีสภาวะรองรับ เวลาไปพิจารณาด้วยปัญญาที่ไปเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไปเห็นสภาวะจริงๆโดยเพิกพวกสรัทธบัญญัตินี้ออกไม่ได้ไปติดอยู่ที่ทบัญญัติคําว่ารูปเวทนาเลยแต่มันมีเห็นจริงๆว่ามันมีสภาวะอย่างนี้จริงๆเช่นจากขุปปัสาะท่าโสตตาปัสปะสะท่เป็นต้นเหล่านี้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเพิกออกจากตัวเนี้ยจากสรัทธบัญญัติ หรืออัฐาบัญญัติไอ้สันถานมันไม่ไอ้ตัวตัวสันถานคำว่าภูเขาคำว่าอะไรก็แล้วแต่นี่เนะีมันสันถานที่มันนูนขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าภูเขาไอ้แผ่นไอ้แผ่นดินที่มันนูนขึ้นมาถ้านูนเล็กๆก็เรียกจอมปวกเนะูนินขึ้นมาหน่อยเล็กเนินนะใหญ่หน่อยเล็กเขา สัญฐานของคนสัญฐานอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันก็ไม่ใช่สภาวะธรรมไม่ใช่สภาวะธรรมฉะนั้นตัววิปัสสนาญาณมันเพิกพวกนี้ออกเลยมันเจาะเข้าไปที่สภาวะธรรมเลยเจาะไปที่ปรมัตถธรรมสภาวะธรรมนี้เจาะไปเห็นด้วยความเป็นรูปนามขันห้าแล้วแล้วมันไปเห็นความที่รูปนามขันห้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเป็นของไม่งามจริงจไอตัวเนี้ยเป็นอนิจจะ ทุกขะอนัตตาอสุภะการไปเห็นลักษณะนี้เขาเรียกปัญญาเจตสิกนะที่มันเป็นประธานในตัวกุศ ล, ลจิตตัวบาตที่มีปัญญาเป็นประธานนะในมหากุศลจิตตัวบาตในมหากริยาจิตตวบาตที่ป็นญาณและสับยุทธ์ที่ไปเจาะทะลุทะลวงเห็นความจริงของรูปนามขันหะและเห็นอาการของรูปนามขันหะที่มันแปลเปลี่ยนไปตามสภาวะมันจริงๆการที่ไปเจาะทะลุทะลวงเห็นอย่างจริงๆเขาเรียกว่า วิปัสนาเนี่ยเป็นแบบนี้นะวิปัสนาเป็นแบบนี้พอไปเห็นความจริงมันก็ละนิจจะวิปาลาสเลยที่เห็นว่าเที่ยงมันมันละไปแล้วมันละตรงไหนละตอนที่มันไปเห็นว่าไม่เที่ยงละสุ ข, ขาวิปลาสแต่ก่อนไปเห็นว่าสุขมันไม่มีแล้วมีแตเ่เบียดเบียนบีบคั้นมันละอัตตาวิปลาสไอความเป็นตัวตนเจาะไปตรงไหนไม่เห็นมีแล้ว ละสุภะวิเวลาที่เห็นว่างามเห็นว่าดีมันไม่ได้มีความงามอยู่แล้วนี่มันเป็นละตรงนั้นได้มันไม่ใช่ว่ามันละทันทีในขณะนั้นเมื่อเห็นความจริงตรงนั้นความจริงก็เปิดเผยออกมาใช่ไหมสิ่งที่เครือบแคลงปูงแต่งทําให้เราเห็นไม่จริงมันก็ถูกละคลายหายไปหมดนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะเนี่อเบ้นเป็นแบบนี้ทีนี้วิปัสสนาปัญญาที่มันจะเกิดอย่างนี้ได้มันต้องมี ฐานพิงพมนักพิงอย่างดีเลยก็แปลว่าจิตมันต้องมั่นคงมันถึงจะเจาะได้เหมือน ก, กรณีที่จะตัดต้นไม้จะทำอะไรเนี่ยโอ้ยพื้นที่หรือกรณีที่ท่านจะไปปลกูกตึกปลูกอะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้โหต้องชำระพื้นที่ลงเข็มอย่างดีนะหรือท่านจะไปโดดเต้นเล่นกีฬาทั้งหลายต้องชำระพื้นที่สะอาดใช่หมล่ะฐานที่มั่นมันต้องแข็งแรงเครื่องบิน ระบบจัมโบ้ใหญ่ๆจะลงได้พื้นต้องเรียบอันเดียวกันนะคุณจะเดินวิปัสสนาญาณได้ลึกหรือไม่ลึกดูสามาธิเป็นฐานถ้าจิตคุณไม่ได้ระดับนั้นนะยากเหนียวฝันเลยนะฝันกลางวันเลยเข้าใจอย่างนี้เขาห้ามไม่รู้ไงไม่รู้ห้ามขยัน กห้ามไม่ต้องมันไม่มันไม่มไมต้องบางทีไอ้ตรงนี้นี่แหละทีเอาเดี๋ยวขยายก่อนนีธรรมชาติใดเห็นแจ้งในขันห้าโดยการต่างๆจะเรียกไงอันิจจะทุกขาเนอสุภะเป็นตัวธรรมชาตินั้นวิปัสสนาก็ปัญญานี่แหละที่ในมหาคุศลมากรีาอาเดียวกันนี่ขยายความขยายคบวิปัสสนา มันมีคําว่าวิกับคาว่าปัสฐนานี่วิเนี่ยในที่นี้แปลว่าพิเศษบางทีแปลว่าแจ้งอะไรวิศับเนี่ยมาจากคำว่าวิเสเสนะปัสตติติวิปัสฐนาธรรมชาติใด ย, ย่อมเห็นแจ้งเป็นพิเศษฉะนั้นธรรมชาตินั้นเรียกวิปัสฐนาไม่ต้องเห็นแจ้งเป็นพิเศษด้วยนะไอตัวเห็นแจ้งเป็นพิเศษเนะี่ย ซึ่งเป็นตั ว, วิปัสนาเนี่ยมีอยู่สองประการนี่เห็นแจ้งเป็นพิเศษในอารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏทางตาหูจมูกเล่นกายใจโดยความเป็นรูปนามนั้นอย่างหนึ่งอย่าลืมนะเห็นแจ้งเป็นพิเศษในอารมณ์ที่มาปรากฏทางตาหูจมูกเล่นกายใจโดยความเป็นรูปนามแต่คนส่วนใหญ่เนะี่ยว่าอารมณ์ที่มาปรากฏทางทวาตา ตวันหัวตวันจมูกทะวันลิ้นทะวันกายตวันใจเราไม่เคยเห็นด้วยความเป็นรูปเป็นนามเลยเนี่ยโดยความโดยมากเราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาเป็นตัวตนเห็นด้วยความเป็นสวยงามชอบใจไม่ชอบใจเป็นคนเรื่องเลยนะครับฉะนั้นไอ้วิปัสสนาการเห็นแจ้งเป็นวิเศษมันยังไม่ค่อยเกิดจริงสังเกตุไหมวันวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์มาประกอบทางตวานตาหัวจมูกลิ้นกายใจของเราเพียบเต็มไปหมดเลยก็เห็นไหมว่าเห็นแต่เป็นรูปเป็มนามเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามจริงจริงะ เห็นไหมมันไม่เป็นเนียการเห็นแจ้งเป็นพิเศษในลมต่างๆที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะมันมีสองขั้นตอนนะครับเป็นสองขั้นตอนในคำว่าเห็นแจ้งพิเศษเนี่ยทีนี้อะไรมันเห็นก่อนมันเห็นด้วยความเป็นรูปนามก่อนหรือเห็นด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตาก่อนวิปัสสนาญาณเนี่ย มันเห็นด้วยความเป็นอนิจจะทุกขะอนัตตาอสุภะก่อนหรือเห็นด้วยความเป็นรูปนามก่อนเห็นด้วยความเป็นรูปนามก่อนใช่ไหมวิปัสสนาเนี่ยเห็นด้วยความเป็นรูปนามขันห้าก่อนหรือเห็น้ดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตาก่อนจึงมาเห็นรูปนามขันห้าที่หลังหรือเห็นพร้อมๆกันเออจะให้สามทางเลยเนี่ย หนึ่ ง, หงเห็น้วยความเป็นรูปน้ำขันห้าก่อนที่มาปรากฏ ด, ดึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสองหรือเห็น้วยความเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอัุภะก่อนหรือสามเข็นพร้อมๆกัน <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรนะ <c oughs> เห็น้วยความไม่เที่ยงใช <c oughs> ่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เห็นไม่เที่ยงก่อนยังเป็นทุกข์เป็นอนาตาก่อนเลยใช่ไหแล้วยิ้มเอาไง วันก็ว่างองนี้แล้วแต่ท่านจะว่างไงเอ๊ะมันแค่สามข้อเองใช่ไหมก็มจะจายก็เรียกคนละข้อก็ต้องมีถูกคนหนึ่งแล้วสำหรับพวกคิดไม่ได้เอาไงตกลงเอาไงก่อนจะเห็นแบบไหนก่อน ก็เห็นว่าจะไปปฏิบัติวิปัสสนากันจังเลยแล้วบางคนก็ไปมาหลายคอร์สแล้วบ้างจะว่ายังไงเออจริงๆมันน่าตั้งปัญหาอย่างนี้เนาะตั้งปัญหาสําหรับคนที่อยากเออบางคนบอกโอ้ยบางคนบอกว่าเขาเข้าใจมานะเขาไปปฏิบัติมาหลายคอร์สแล้วบางคนจัดคอร์สจัดลีที่ที่ไหนโอ้ไปกันจังเลยเออ มาจนเบสเสร็จปุ๊บเคยคุยกับโยมอยู่ครั้งหนึ่งคุยไปคุยมาเรื่องนี้บอกไม่ได้ท่านมันเป็นปัจจิตังออ <c oughs> ออก้นมุมนี้ดูสิโอ้โหใจสับกับกูเลยนึกในใจให้เราเขาบอกว่าเขาเป็นปัจจิตังอถามาแปลว่าอะไรรู้ได้เฉพาะตนอา้าวจะแปลได้ก็อีกโอ้สุดยอดเลยโยมกลายคาว่าเป็นเป็นเป็นปัจจตังกับโยมแปลว่าอะไรนี้ ว่าตอบไม่ได้ต่อไปท่านก็รู้สิความจริงยอมไม่รู้เรื่อง เ, อ เ, นะเขาเป็นเครื่องป้องกันเขาทิฏฐิเขาจะบอกเป็นปัจจตังปัจจตัง อ, อ, อันแรกเกิดก่อนนะการเห็นแจ้งเป็นพิเศษเนี่ย ก็คือการเห็นแจ้งที่เป็นพิเศษในอารมณ์ที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกระจายจด้วยความเป็นรูปนามขันห้าต้องเกิดก่อนต้องเป็นทิฏฐิวิสุทธิ์ที่ก่อนนะต้องเห็นบริสุทธิ์ก่อนเห็นด้วยความเป็นรูปนามกัน5ก่อนต้องเห็นสะอาดบริสุทธิ์ก่อนถ้ า, าให้สังเกต ด, ดูนะผมจะตั้งคอสังเกตให้จะสังเกตว่า วิปัสสนาญาณในยุคเนี้ไปเจาะอันนี้จังทุกครั้งอนัตตากันก่อนเลยอย่าเพิ่งไปอย่าไปกระทบไม่ดีแต่เห็น ไ, ไหมเข้ามาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่งามโอ้โว่ากันยาวเลยว่างั้นเไตรลักษณ์เนี่ยเอามาสอนกันก่อนเลยว่างั้นเดวแลวตรงพุทธพจน์จริงๆด้วยนะครับที่เขาพูดไม่ผิดด้วยนะแต่เขาไมเห็นที่หลัง เพราะอะไรถ้ายังไม่เห็นด้วยความเป็นรูปน้ํากันห้าความเห็นมันก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อความเห็นไม่บริสุทธิ์ไม่เพิกบัญญตัติทั้งศรัท ธ, ธาบัญญัติและอัธยาบัญญัติออกที่ไปเห็นด้วยความไม่เที่ยงมันเลยกลายเป็นของไม่จริงคนโหโยมเนี่ยเห็นเกิดดับตลอดเวลาเลยว่าไงท่านเยามาเถียงโยอมแล้วว่าไงเดี๋ยวโกรธเราอีกขนาดเห็นไม่เที่ยงมันยังโกรธนะ ว่าไม่ได้เปนเครื่องแนั้นไปบอกเขาผิดเนี่ยก็เครื่องตายเลยครับพราะเขาเห็นของเขาอย่างนั้นก็เห็นเกิดดับก็เขาเห็นจริงๆตายแล้วถามว่ายอมเห็นอะไรเกิดดับไม่รู้แล้วมันปรากฏตรงเห็นดับเห็นดับพูดไม่ได้ของพูดไปเป็นบัญญัติก็ไปเห็นไม่เที่ยงก่อนเป็นทุกข์เป็นอนาถเป็นอย่างนี้นะที่จริงมันต้องเห็นด้วยความเป็นรูปนามก่อนเห็นด้วยความเป็นสภาวธรรมก่อนมันเพิกบัญญัติออกก่อน เห็นตัวปรมัตธรรมก่อนแล้วจึงไปเห็นอาการของปรมัตธรรมที่มันไม่เที่ยงอาการของปรมัตธรรมที่มันเป็นทกอาการของปรมัตธรรมที่เป็นอนาตตาและปรมัตธรรมที่มันไม่งามจริงๆมันจึงเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยอาการแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนแต่มันจะเห็นเร็วเห็นไวก็อยู่ที่ปัญญาแต่บุคแต่ลาดับมันเป็นอย่างนี้แหละ เหมือนท่านจะเดินขึ้นเนินเนี่ยครับขึ้นเขาเนี่ยเดินขึ้นเขามันก็เห็นเหมือนกันนะเห็นตามแนวทางถ้าขึ้นรถขึ้นมานั่งนั่งเกวียนขึ้นไปก็เห็นใช่ไหมนั่งรถขึ้นไปก็เห็นใช่ไหมถ้านั่งเครื่องบินฟืดขึ้นไปก็เห็นเหมือนกันเห็นหมันเร็วหรือช้าแต่มันตามลําดับแบบนี้หมดเลยการปฏิบัติจะเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่มีไม่มีที่ว่าพวดไปเห็นอนนี้จังทุกครั้งหน้าตาก่อนไม่มีมันเป็นแบบนี้แหละ การเห็นเช่นนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นการเห็นพิเศษนั้นอารมณ์ต่างๆที่มาประกอบทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยในขณะแรกๆอนะ่ะล้วนแต่เป็นปรมาติตคือได้แก่รูปนามทั้งสิน้นแต่สัตว์ทั้งหลายมันไม่รู้ไม่เห็นในความเป็นไปของรูปนามเหล่านี้ว่าเป็นรูปเป็นนามมันรู้เป็นไปตามบัญญัติเนี่ย และเป็นการเห็นรูปอารมณ์ด้วยตาก็เลยรู้ว่าต้นได้เห็นสิ่งนั้นทั้ง้มันก็เป็นมันก็เป็นบัญญัติหมดเลยนะเช่นว่าเวลาเราเห็นเนี่ยมองปุ๊บไปเนี่ยเห็นอะไรออใครเห็นหมดเลยตกเลยวิปัสสนาญา เสื่อมวิปัสนาเสื่อมไม่ใช่เสื่อมนะครับวิปัสนาไม่เกิดไม่เกิดแล้วมันเห็นใช่ไหมเพราะกระบวนการความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้เห็นด้วยความเป็นรูปนามกันหา้าเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหลบัญญัติไม่สามารถที่จะเพิกหรือถ่ายทอนความเห็นที่เป็นทิศทิวิสุดที่ความเห็นที่บริสุทธิ์เนี่ย เห็นโดยความเป็นรูปนามขันห้าจริงๆไอ้ความเห็นในลักษณะอย่างเงี้ยมันเห็นในการถ่ายถอนทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าตัวสภาวธรรมคือจิตเนี่ยเนะมันไม่สามารถข่มกิเลสได้นิ่เวลรทำรรเนี่ยมันมันก็เห็นด้วยกิเลสเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้มรสเราถูกต้องเราคิดนึก มันเลยกลายเป็นเราไปหมดแล้วแต่เนี้ยเห็นไม่ไม่บริสุทธิ์แล้วนะเห็นไหมเราเราถูกว่าเราถูกดา่าเราถูกชมเราไม่ถูกชมเนี่ยมันเลยการเห็นไปแบบนี้ไปหมดเลยเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วแต่เนี้ยเห็นมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วได้ยินก็ไม่บริสุทธิ์แล้วมันมันมันไม่ได้เกิดขึ้นจากจิต ท, ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอะไรแล้วเพราะปัญญา จริงๆไม่ได้ไปทําหน้าที่ได้มันแหวมกม่านของกิเลสขึ้นมาไม่ได้ใจมันเศร้าหมองมีกาบฉันท่าพยาบาทีน้ำมิท่าอุทจักกุกุจักกุ้มรุมอยู่เต็มไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงเพ่งแทบตายก็ไม่เห็นนะครับเหมือนน้ํามันขุน่นนะได้ไเหมือนอย่างนี้ถ้าจะอมามาเลยนะเอาแว่นนะครับเอาแว่นสีมาใส่ให้พวกท่านติด ๆ, ๆ, ๆหมดเลย ท่านก็มองอยู่แค่นั้นน่ะเนี่ยท่งแทบตายแลยครับเหมือนม้าม้าที่มันกินหญ้าแห้งอ่ะเขาเอาเอาเอาสีเขียวไปใส่เหมันก็กินใหญ่กึศกึศนเป็นเงี้ยเหมือนกันไอปัญญามันมันมันทําหน้าที่ไม่ได้จิตไม่สะอาดนะไม่มีฐานที่ตั้งมันก็เห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตนมันก็เห็นของมันอยู่อย่างเงี้ยครับวิธีการมันก็คือถอดแว่นใช่ไหมครับ เหมือนกันจิตมันเศร้าหมองกันนะนี่ ม, นมีการมาฉันทาก้มลมปยาบาดก้มลุมถีน้มิท้าอุทจักกุจักก้มลมมันมันย้อมเต็มไปหมดนะีก็กําจัดตัวนี้ออกก่อนโทษกาจัดออกจิตมันก็ใสสะอาดมองเห็นอะไรชัดลเลยตัวนี้ยพอคําสอนพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้เรียกว่ารูปอย่างนี้ไเรียกว่าน้ำอย่างนี้เรียกว่ารู้ประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เรียกว่ารู้ปารมิตรธรรมกันธารมรัสารมบุตรธรรมนะ รูปารมแบบนี้มาตั้งชื่อบัญญัติว่าเป็นโต๊ะรูปารมนี้เรียกเก้าอี้อันนี้เรียกว่าพื้นอันนี้เรียกว่าสัตว์นี่เรียกบุคคลเรียกว่าหญิงเรียกว่าชายเรียกผมเนี่ยโอ้จริงๆมันคือรูปารมมันเห็นตามคําสอนจริงๆแต่ว่าจิตสะอาดแล้วปัญญามาทําหน้าที่เห็นเจาะจนเพิกออกได้เลยแต่เนี้ยไอ้บัญญัติที่ห ย, ยาบๆทั้งหลายถูกกระจายออกด้วยปัญญาความจริงมันก็ปรากฏขึ้นมา พอเห็นความจริงอ่ะโอ้ยเลยมันตื่นเต้นมากเลยครับเห็นเห็นด้วยความเป็นรูปนามมันตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะตั้งแต่เกิดมาจนจนปัจจุบันเนี่ยมันไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยไม่เคยได้เข้าถึงสภาพจิตอย่างนี้มาก่อนมันตื่นเต้นมากได้ยินแต่คําสอนแต่เราเออเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะแต่วันนี้มาเห็นแล้วมันมันเหมือนลอกคาบออกหมดเลยเห็นด้วยความเป็นรูปนามขันห้าอย่างนี้นเข้านะเข้ามัน กำหนดหมายตามคําสอนได้จริงๆใช่ไหมเช่นว่าเห็นจักเป็นศักว่าเห็นเงแล้วบ่กเห็นจักประมาณว่าเห็นเอาเป็นยังไงจักขูยิญญาจักขุปัสสัตถเข้าไปเห็นจักขูปัสสัตถ์จริงๆด้วยเกิดดับสืบต่อไปเห็นจักขูยิญญาณจริงๆด้วยที่อาศัยจักขุปัสสัตถ์จิดที่เวลารูปอารมณ์มาปรากฏในของจักขุทวารปุ๊บมันเข้าไปเห็นจริงๆเลยนะครับ เห็นสีคือรูปารมณ์แล้วมีปัญจทาวารวชนะอาวชนะรูปารมจากขวัญญาณเข้าไปรับรูปารมทําทัศนกิจในการเห็นสัมปติชนะไปทําหน้าที่รับอารมณ์แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับไปสันตีแล้วไปใต่สวนรูปารมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโวทภนะตัดสินแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉานะเกิดขึ้นตึดติดติดต่อแล้วก็ลงรวังหมุนเกิดดับสืบต่อเนี้ย โอ้ยสว่างเลยแต่เนี้ยจากขรญญญานเป็นผู้เห็นแต่สัตว์สำคัญว่าเราเห็นรูปารมถูกเขียนเราไปสำคัญรูปารมตั้งหากที่ที่เป็นผู้ถูกเขียนไม่ใช่เป็นเก้าอี้ไม่ใช่เป็นโต๊ะไม่ใช่เป็นบ้านไม่เป็นไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลใดๆเลยรูปารมเป็นสภเป็นรูปประทับจากขรญญญาณเป็นนามธรรม กระบวนการการเกิดดาบสืบต่อในการเห็นมันเป็นอย่างนี้ความเห็นมันบริสุทธิ์มันเห็นมันก็ตื่นเต้นความความจริงปรากฏมันก็ตื่นเต้นสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเป็นแต่ธรรมะล้วนๆเท่านั้นสภาวธรรมเท่านั้นที่กำลังเป็นไปเกิดดาบสืบต่ออยู่มันก็วิจัยใหญ่ได้เห็นใช่ไมทุกครั้งก็เห็นเนี่ยจัดจิตมันสะอาดนี่มันก็ไปเห็น พอจิตมันเริ่มอ่อนแรงอ่อนกําลังปัญญาอ่อนแรงก็เข้าไปอยู่ในสมาธิใหม่เข้าไปอยู่ในสมาธิใหม่พอได้พลังของสมาธิที่ใสสะอาดขึ้นมาก็เพ่งดูใหม่เหมือนเพ่งดูปลาเออเห็นปลามันออกจากตรงนี้เห็นมันวิ่งมาบ้างหอยบ้างกุ้งปูนี่เหมือนกันไปดูกระแสะชีวิตของตอนเองเห็นทางทวารตาก็เห็นทะลุทะลวงทวารหูก็เห็นด้วยความแค่รูปนามแค่นั้นเกิดดับสืบต่อ ทัวานทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารมันวนเห็นอยู่อย่างเงี้ยมันวนวนเห็นเห็นเห็นอยู่เงี้ยทงทางจักรคูทวารทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเพราะการเห็นเหล่านี้มันเริ่มจะอ่อนแรงลงก็พักในสมาธิพักจิตมีพลังต่อกับมาดูต่อไม่เหลือแยกเลยสัตว์บุคคลปรมัสตรโอ้เห็นด้วยความเป็นรูปนามเป็นอย่างนี้เอง ทีนี้เขก็เจาะต่อดเดี๋ยวนี้เจาะเข้าไปต่อเห็นโอ้เนี่ยขณะที่จะคุยญยานไปเห็นเกิดดับสืบต่อสัมปติชนาะสนติระนาโวทะพน า, าอุ้ยมันเป็นขณะไปอย่างเงี้ยกําหนดก็เห็นหมดเล ย, ดยเดี๋ยวนี้เกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่อเกิดดับคือต่อเป็นไปตามสภาว่าของจิตตนิยามเป็นแบบนี้เลยรู้คําสอนมาก็ไปดูตามนั้นก็เห็นตามนั้นเห็นตามนั้นตลอดโอ้เป็นสันตติ แต่ก่อนมันเห็นเป็นแท่งทึบไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ตอนนี้มันไปเห็นสัน ต, ติขาดเลยแต่เนี้ยนี่สัน ต, ติขาดแล้วมันเห็นขาดแล้วแต่เนี้ยที่มันต่างไปกว่อนนะั้นนี่ก็คือว่าไอ้ที่เห็นแต่ละขนาเนี่ยมันเป็นก้อนเนี่ยมันมีตัววิญญาณขันมันมีเวทนาขันมีสัญญาขัน กลุ่มสังขารละขันก็ไปแยกองค์ประกอบได้อีกปัญญาสมุหะสมุหะคณะถูกปัญญาเขีย่ยกระจายเลยโอ้โหมันสะอาดยิ่งกว่าสะอาดเลยเดีเนี้ไอ้สมุหะไอ้ความเป็นกลุ่มมันกน็มันมาจากฟังพวกนี้นะถ้าท่านไม่มีฐานนี้จบเลยงานเนี้ที่บอกให้ท่องให้ท่องให้ท่องเนี่ยไม่รู้ว่าจบเลยนะงานนี้นะข้านะข้าวเดี น, นี้ไปเห็นมันทํากิจเนี่ย จากคูญญานทำทัศนกิจก็เห็นมันทำกิจนลยแต่ก่อนเราทำเราทำใช่ไหมครับนี่มันจากคูญญานทำกิจทัศนะเห็นเวทนาทำกิจเสวยสัญญาทำกิจจำเนี่ยสังขารทำกิจปรุงแต่งกระทบอารมณ์เป็นต้นเหล่านี้ยวิญญาณทำกิจรู้โอ้โหกิจจากคณะแตกเลยเรียบร้อยไหมงานเนี้ยหมดแลแ้วอันเนี้ย ใจมันถอนถอดถอดคลายหมดแล้วครับเรนนี่ตอนนี้อันนี้จังทุกขังเริ่มจะปรากฏเป็นแบบนี้มันจากเห็นรูปนามเห็นเหตุของรูปนามเป็นไป ต, ตามดอกแล้วต่อไปความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็น น, นารตาความไม่งามความไม่ดีจริงมันจึงปรากฏอีกเจาะยิ่งยิงเจาะไปมันเห็นไตรลักษณ์อะนี้มันปรากฏที่หลังอย่างนี้นั่นเป็นแบบนี้นะครับในลันษกษณะแบบนี้ มันจึงไม่ต้องไปบอกให้เบือไม่ต้องไปท่องเลยคนระับโอ้อคำว่าไม่มีอะไรคำว่ามันเป็นสภาวธรรมมีแต่ธรรมะล้วนๆเป็นไปอยู่สัตว์บุคคลไม่มีมีแต่ธรรมะล้วนๆเท่า น, นั้นผู้ทากรรมก็มีผู้รับผลกรรมก็ไม่มีมีแต่ธรรมะล้วนๆเป็นไปอยู่สภาวธรรมทั้งหลายเป็นไปแบบนี้ไม่ต้องไปท่องเลยคนระับความจริงมันเป็นแบบนี้ คนจะรู้หรือไม่รู้ถ้าคนมีฐานคนมีฐานทั้งโลกทั้งวิทยาศาสตร์มายิ่งเข้าใจเร็วถ้ามาเรียนกิจเทวศิลเรีย น, นยิ่งเข้าใจเร็วแต่ทีโอ้โหตายสมัยก่อนเราเพ่งเราวิจัยงานนู้นงานนี้มาแทบตายมาเห็นความจริงตรงนี้โอ้โหอย่างนี้เป็นต้นนี่วิปัสสนาคร่าวๆเลยยังไม่เข้าถึงสมถะแต่ยังไม่เข้าถึงการเพ่งกระสินทีนี้โอ้โหพะ บ้างมยท่านยลงมอก็ีสาที่ฟังานรมนิพานะสรุปลงอย่างนี้เียในเห็นรูปนาที่ยังไงเห็นอุบาสกบาศิกาทั้งหลายเวลาทั้งปางทานนักเสียนกธาสักธรรกรมธทีนวัตธรรมนี่คำอนิสังสารธ จบลงด้วยอริยสัจทำเรื่องสิสังเกตดูนะเวลาพระริเจ้าเนี่ยชาญฉลาดในการแสดงพอพระริเจ้าเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายรู้เลยรู้อดีตอนาคตรู้ปัจจุบันรู้สภาพจิตของสัตว์เนี่ยยัง ไ, ม, งไ ม, ม่ยังไม่ถูกย้อมยังไม่ถูกบ่มเพราะพระเจ้าแสดงฐานการสละการให้การสละการให้การสล ะ, สละนอกสละในสละนอกสละใน พอเข้าใจในลดับทานทุตุตุตตามลําดับแล้วปุ๊บเนี่ยปรับตามสภาพจิตเลยพูดเรื่องเจตนาสินเจตสิกสินสังวรสินวิตรมศีสินคือสภาวธรรมแล้วเข้าถึงเริ่มสภาเริ่มเ่มให้เข้าใจศสเนยทานศินเกิดขึ้นเบเ็ดเสร็จนะมีผลเกิดขึ้นยังไงเห็น ไ, ไหมเขาเรียกว่าสัก ข, ขะคถาผลผลของปัจจุบันเป็นยังไงผลของอนาคตเป็นยังไงผลของมนุษย์เป็นไงเทวดาพรมเป็นยังไงบอกทตุตุตุตนี่ไหมผลของทานศินนะข้าวนะข้าวก็คือ กามาทีนวะโทษจริงๆมันไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกยังไงเป็นจริงจริงสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความแปลปรนเป็นธรรมดายังไงมีคุณยังไงมีโทษยังไงคุณน้อยโทษมากไม่บอกกันเลยใจน้อมนะพอพูดอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บเนคคำมัในี่สั้นเนคคำมาก ค, คืออะไรน้อมออกจากกามน้อมออกจากกามคืออะไรคืออุปจาระสมาธิและอัปนาสมาธิเพื่อเพื่อเพื่อ บ่มบ่มบมบมให้ได้สมาธิพ่อหมูสัตว์ได้สมาธิระดับอุปจาระ ห, หรืออัปนาในขณะนั้นเบีเสร็จปุ๊บจะเป็นใครก็ได้ที่ฟังอย่างนี้เบียเสร็จปุ๊บวัตถุประสงค์ก็คือให้ได้สมถะให้ปริตตาสมถะหรือมหากตาสมถะเกิดขึ้นนิวรนต้องสงบพอสงบนิวรนปุ๊บอริยศาสตร์ก็คือนี่แวิปัสนาญาณบอกทุกเขตให้เกิดทุกบอกพันิพานบอกบอกวิปัสนาญาณคือสมาธิติดสม า, ส, ม า, ส, มาสังกปะ เดินวิปัสนาญาณแยกรูปนามลงสู่ไตรลักษณ์ไล่ลำดับวิปัสนาญาณตามลำดับนามรูปปริคิรญาณปัจจัยบริขายา น, ยาายายานสมัมมสนญาณไล่ไปถึงมักมรคยานพลรยานเรียบร้อยบรรลุเสร็จแล้วจบกิจนี่คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมาฉะนั้นถ้าคุณข่มนิวอนไม่ได้จบถ้าข่มไม่ได้แสดงใหม่อีกรอบ บ่มบ่มทานการถาศีลักถาสักกรถากามอธย์เนคขมมะนี่ตัวนี้แหละตัวขบเนะเนคเนขมมะนี่สังสักกรถาน้อมออกจากการมระดับปริตตสมถะหรือมหกากตะสมถะได้เลยพอได้เบียเสร็จปุ๊บรอจังหวะท่านคนนั้นจิตสะอาดจิตใสจิตพองแผ่ไปเสร็จวิปัสนาญาณตอบแสดงวัานนั้าศาสตร์กําลังพิจารณ า, นาอยู่หยุด พอพ er ิจารณาบอกต่อบอกต่อบอกต่อเรียบร้อยบรรลุเลยเข็นทุกมุมว่าเดินถึงวิป um ัสสนาญาณระดับไหนกิเลสระดับไหนละได้เข้าใจแค่ไหนบอกแต่ละคนฟังตามอัธยาศัยนั่งเจาะทื่ๆนั่งโดยการเนี่ยท่านวันฟังเข้าใจอีกอย่างท่านยืมฟังอีกอย่างนั้นนศรังอีกอย่างทุกคนมาฟังปุกเร้าคนละเรื่องสรุปลงอริยส erm ัจ นี่คือศักยาภาพของพระเจ้านะครับมันเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่ได้เนคขมมะไม่ได้ไม่ได้ปริตตาสมถามหากตาสมถาก็มาไล่ต่อวันนี้ไม่ประสบควาสมสาเร็จคุณก็แค่ถึงสร ะ, ะมเดี๋ยวรอจังหวะมาใหม่เหมือนพวกเราตอนนี้พระเจ้าก็พยายามกับเราอยู่นะในฐานะพระธรมวินยัย เราไม่ค่อยเงียโสดฟังท่านทั้งท่านทั้งงใช่ไหมล่ะพระเจ้าไม่เคยหยุดเลยนะนีครับทุกวันนี้ก็ไม่เคยหยุดเลยเขาใหญ่ยังแต่เนี่ยนี่สองทุ่มกว่าแล้วเนี่ยสองชั่วโมงแล้วนะสมควรนี้ยังที่จริงวิปัสสนามีสามอย่างนะสังขาระปริคหักกาวิปัสสนากับพระสมาาะะสมาปัติวิปัสนาเลนิโรธสมมาปฏิเวิปนาญาณวิปัสสนามีกี่อย่างคนยังตอบกัไม่ได้เลย ใช่ไหมสังขาราปริกหะกะวิปัสนาหรือบางทีท้ว่าตามแบบสังขาราปริกหะปริคขันหะหานักกวิปัสนาก็คือวิปัสนาญาณที่มีการกําหนดสังขารธรรมรูปนามเป็นอารมณ์พระวิปัสนาพระสมาปัติวิปัสนาคือว่าการเจริญวิปัสนาญาณเพื่อจะทําให้พระสมมาัติเกิดขึ้นนิโรธสมมาปติวิปัสนาญาณคือการเจริญวิปัสนาญาณเพื่อจะทํานิโรธาสมมาัติให้เกิดขึ้น หมู่ปุถชนอย่างเราทั้งหลายทําวิปัสนาญาณได้เฉพวกเดียวคือสังขาระปริคันหะนักาวิปัสนาคือวิปัสนาญาณที่ไปกําหนดสังขารและทำรูปนามเป็นอารมณ์เท่านั้นส่วนพระสมาปัติวิปัสสนาก็ดีนิโรธาสมาปฏตวิปัสนาก็ดีเป็นวิปัสนาญาณของพระอริยะท่านคนจะเข้าพระัสมปฏิก็ต้องเจริญวิปัสสนาครับ ตามลำดับของนามรูปปริเฉทยานตามออตั้งแต่สมัสออตั้งแต่อุทยพยญาณเป็นลำดับเป็นต้นไปตามลำดับนะครับแม่คนเก็เข้านิโรธาสมาบัติก็ต้องเจริญปัญนานที่สลับกับสมถะออยังไงอันรนายละเอียดที่เราจะต้องเรียนกันเนี่ยคือต้องวิปัสสนาญาณทั้งสามอย่างนะครับต้องเรียนต้องรู้เนเะห็นไหมมันมีเรื่องเยอะไม่เล่น สมควรใ น, ในภาษาศาสนาคุณชิเจ้ามันส ม, สมควรต่อการที่เราจะพ้นจากกิเลสและกอทุกข์จริงๆดังั้นถ้าท่านรู้รู้นิดเดียวแล้วบรรลุเป็นพระราารอรหันต์ท่านยอมไหมทนะ่านยอมไหมล่ะไม่รู้อะไรเลยแต่ได้บรรลุอ่ะท่านจะเอาไหมถามจริงจะจะบรรลุอะไรมันก็บรรลุผิดไงไม่รู้อะไรเลยแล้วบรรลุอ่ะ มันก็เรียกแล้วมันมิดฉาวิมุตต์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันมิดฉาวิมุตต์ก็หลุดพ้นผิดไงหลุดพ้นแบบผิดผิดไงมันผิดทางไงไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องเรียนอะไรทั้งนั้นบรรลุเลยอะ่ะตั้งแต่บวชมาผมเข้าป่าบรรลุเลยว่างั้นฉันเชื่อไหมล่ะ เชื่อเชื่อก็ไปสิเอาแลสมควรเก็บเวลาพอสมควรเลยนสาธุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายบรรลุมรรคผลนิพพานในอัตภาพนี้ด้วยกันทุกคน